นราสะพเอเกสเบาโสติงสะปารมีนมามยิราสานิจังภเรตวะอาคาโตวะรังโมคขังนาโทอิจฉันโตโนยังหิตวาสราทกัง โมทังวเนสุดุการังนา ม, ามิสิระสาธารังพระนราสภาผู้ตกประเป็นว่าบรมีสามปิตักนับพบนับชาติไม่ท้วนได้ทรงเสด็จมาดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนราสภาผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยศีเก้าวเป็นทิ่ พระนาถทรงปราถนาโมกษธรรมสาระพระราชโอรสและพระหอยศสีทั้งสองพร้อมด้วยเว้นแฟนแล้วตรงครื่นลมในไทยสมขา้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พราะนาถาผู้ทรงเป็นทำสิ่งที่ทำได้ยากพระองค์นั้นโดยเสียนกล้าวเป็นยิฐโอรังมหายาโนโอเปซิพธิมันเร ตัสสะบุทตสาปาเดจาสโพทยโยนามามิหังพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพญานันยิ่งใหญ่ได้ทรงเสด็จเข้าใกล้ควงไม้โพธิพฤกข้าพเจา้าขงนอนอ้อมกราบไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยโพธิพฤกนั้นท่าวาอาคามาเคนาะ ปัญจามาเรอเสสโตพันคิตวานาัสิกาปโตสัพลังกังนา ม, ามิตังคันตวามุนิวโรตัมหาอนนมิเสวราสนีถ้าคันนีปุณจันโนวาสานิมิสังนา ม, ามิตังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะมาทั้งค้า มีขันธมารเป็นต้นจนสูงเกลเอตามาณเป็นที่สุดโดยเส้นเชิงด้วยอาหารธรรมะยานทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหวพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมด้วยโพธิบัลลังนั้นพระจอมมุนีทรงสเสด็จเข้าใกล้โพธิพฤกนั้นแล้วสเสด็จประทับยืนณนะสถานที่อันประเสริฐด้วยพระเนตรอันไม่ทรงกระพริบเตรียมดังกระจันวันเพ่งบนท้องฟ้า ้าพอนอบน้อมกราบไหว้พระจอมมูนีพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวพร้อมทั้งที่ประทับยืนไม่กระพริบพระเนตรนั้นเป็นนิดพอนอบน้อมพระธรรมด้วยพอนอบน้อมพระอริยสงฆเจ้าท้าหนายด้วยด้วยความเคารพเลื่อเพลือเราความเจริญในธรรมยังมีแด่เพื่อนสาหธรรมิกทุกๆท่านครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราที่ผมเองไดโอกาสมาส่วนทนา ในการที่จะให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของคาสอนของพระธรรมมากอบพระทเจ้าเท่าที่เวลาที่จะให้นะครับเวลาสามวันวันที่เก้าวันที่สิบวันที่ส7บเจ็ดในช่วงระยะเวลาที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยอยากให้นะพระภิกษุที่เป็นคู่มีความเชื่อมั่นใน พันยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, 5, า, า, าได้ได้มีโอกาสที่ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของพุทธบาลมีของพระสัมมาสัมพุท้าที่สมบูรณ์เปนม า, 5, า, ล า, นาและอยากให้พวกเราทั้งหลายนั้นช่วยกันคิดค้นแล้วก็สอบถามในปัญหาในอัตถะในเรื่องความในใจก็แล้วแก่ที่เราปร้าท่านหาที่อยากจะสอบถ า, า, ามก็เป็นการแรกเปลี่นและก็เป็นท่านนาน ใหทุกท่านได้มีโอกาสไดีใช้ข้อมูลความรู้ที่ได้ศึกษาเรืเองนมาด้วยตลอดทุกข้อข้อใจใดๆทั้งหลายอะไรเนี้ยในการที่จะมาถกแล้วก็มาวิจัยแยกแยะจะได้เกิดความเข้าใจทุกประเด็นหรืทุกประเด็นที่เราคนจะยึดมาในการที่จะมาศึกษาเรียนรู้กันเพราะช่วงเวลานิการที่จะมาเจอหรือมาพบกันเนี่ยมันไม่ง่ายในกระแสที่ของเราทของหลายเนี่ย เราต่างคนต่างมีภาระในการที่ก็จะต้องดําเนินชีวิตในคามจริ้แ้งโอกาสมาเจอกันก็เกี่ยวเกี่ยวเอาประโยชน์ให้มากที่สุดหนึ่งเข้าใจความคิดของก็เอาไประโยชจากความคิดให้ที่มากที่สุดเพราะเราจะมาใช้เวลาทวกพี่น้าทีนี้มันได้ประโยชน์แห้มีค่าในการที่เราจะมาศึกษาเรียนรู้เพราะการศึกษาคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยและยากมาก ถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาพอจะสรุปประเด็นคำสอนได้นั้นเียกเ็บเดี่วเอาไปบอกท่านห้างี้เพราะการเรียนรู้ว่าใจวิตรอานุสาวรีการใช้เวลามากฉะนั้นคนที่จะมาสรุปประเด็นคงสอนได้เนี่ยจะต้องอาศัยข้อมูลความรู้ที่หน้าเยอะมันเป็นประโยชน์กับเราทั้งท่านหลายนะที่เราจะได้ได้สาระสําสคัญ ทีนี้การที่จะเข้าสู่ประเด็นตรงนั้นได้มันก็ต้องอยู่ตรงที่ว่าอันดับแรกยอย่างเราท่านั้งหลายที่เป็นนักบวดเนี่ยสิ่งที่ต้องมีกันแล้วก็มีกันอยู่แล้วก็คือก็เรียกว่า ต, าตถาคตงที่ศรัทธาใช่ไหมครับคำว่าตถาคตที่ศรัทธาเนี่ยเขาแปลว่าอะไรเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพตรตถาคตคําว่าเชื่อมัน่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเนี่ยถ้าเรามาแยกแยะ ไปตามสภาวะจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยคําว่าภระธรรคตเนี่ยแ ท, ยท้จริงก็คือเป็ น, ปนสภาวะเชื่อมั่นเนี่ยปัญญาที่สังเกตใช่ไหมคำว่าตถาก้อนที่ิสัตฐานเนี่ยถ้าแปลเลยอัตถาริๆไนดะ้ไหมเรื่อเชื่อมั่นปัญญ า, าสารู ข, ของพตถารรมคดไม่ใช่ไปเชื่อมั่นบุคคลน้แต่เชื่อมั่นตัวปัญญาญาในปัญญาญาของวาสมาสมสุนุ๊กเจ้านั้นถ้าเป็นอาสาธารยาญณก็มีอะไร สัตยุตญาณอนาบารณญาณอิทิริยะปรมิริยะญาณมหาเทโนาสมาปฏิญาณยมกัปปติหาริยญาณและอาศยานุสยญาณใช่ไหมครับอาสาธารมาญาณหที่พุทธยาส่งได um. ้มานั่นเนี่ยเป็นพยายามที่พิเศษไม่สาธรรมนาไปกับญาณของสาวกอยู่ๆฉะนั้นสมมาสมุทฐานเนี่ยต่างจากัิเทเจุทฐานนะครับแล้วก็ต่างจากสาวกการปฏิฐนเลยถ้าหาว่าปิเทเจสมุทฐานเนี่ยตัเส้นได้เองนะจะไม่สามารถทิญญา ประกาศอย่างการนี้จะสรุให้คนอื่นรู้ดามได้อันนี้เป็นข้อจำกัดของปฏิเจริญพุทธะส่วนสาวกศพุทธะนั้นหมายถึงการตัดสรู้ดาม <c oughs> และการตัดสรู้ดามนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญายาณควบคุมยืดกว้างขวางได้เท่ากับสัพพยุตยานเป็นต้นด้วยใช่ไหมครับส่วนสัมมาสัม พ, พุทธะเนี่ยเป็นพญายที่พิเศษมากเป็นสัพพยุตยานที่สามารถแทนตลอดโลกขาดทั้งสิ้นไม่สามารถมีอะไรมาขัดขวางมาจีดขวางได้ โดยเฉพาะอานาวรณายาน น, นี่ไหมสับเนี้ยแปลว่าพยานที่สามารถแทงทะลุทะลวงได้ทุกทุกอย่างไม่มีขังธาตุยนในในในันะใดๆโลกธาตุใดๆจะมาขัดขวางพยา น, นี้ไนดะ้พยานเหนี่สามารถแทงตลอดโลกธาตุทั้งสิ้นไม่มีอะไรมาขัดขวางเกิดคำว่าอินทรียปโรปริยติญาณเนี่ยพญานที่สามารถแทงตลอดอินทรีย์สามารถรอบรู้ในอินทรีย์ทั้งหลายทั้งมูลสัตว์ที่หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทินรีย์วิริยินทรียสติินทรียสมาทินรียแล้วก็ปันยินทรีใช่ไหมครับอินทรีย์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ทินรีย์มากสัตว์ทินรีย์น้อยวิริยินรียมากหรือวิตรียินรีย์น้อยสตินรีมากหรือน้อยสมาทินทรียมากหรือน้อยปันยินรีย์มากหรือน้อยเนี่ยพยาเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปรู้อินทรีย์ของเหล่าสัตว์เหล่านั้นได้สามารถที่จะเติมเต็มอินทรีย์ของสัตว์เหล่านั้นได้ด้วยเช่นอย่างพวกเราทั้งหลายมีสัตว์อินรียมีความเชื่อมั่นน้อยเนี่ย พระบรมศาสดาก็สามารถที่จะแสดงทำบ่มอินทรีย์เพราะอินซียของเราสัให้เจริญ ง, งอกงามให้งูได้ให้ขีดสุดได้หรือเรล่าสาัตว์ที่มีวิริยินซีคือความแกล้วกล้าอาถรรน้อยพระเจ้าก็สามารถที่จะแสดงบ่มเพราะวิริยินซีย่ให้อาหารวิริยิให้เจริญลดหน้าจ น, จนถึงจนถึงเข้าถึงความเพียรอย่างสูงสุ ด, สดอย่างอุกี่ยนเป็นต้นได้สตินซียก็คือมีสมาธิอ่อนสมาธิน้อยเนี่ยพระบรมศาสดาก็สามารถ แรงทำที่บอกอินทรีย์แบบนี้คือให้อาหารต้องสติสซีแบบนี้ให้มีพลังอย่างเกล้ากล้าจนสามารถเดินสติปปฐฐานในฐานะทั้งหมดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกายานุปัสนาจิตปฐฐานเวทนาทุปัสนาจิตปฐฐานจิตตาทุปัสนาและธรรมานุปัสนาจิตปฐฐานเราสาสนหลายที่ไม่สามารถเดินสติสามล้วจันยักมีพละงกำลังได้เพราะอินรีย์คือนี่บกพองเราศาสนาก็ต้องมีความชั้นชัลาด ในการที man, ่จะให้อาหารในการที่จะบอกมูนบุญซีเหล่านี้ให้มีความเจริญรุดหน้าได้นี่คือความสามารถของเขาเรียาสัตว์บางกลุ่มน่ยสมาธิซีต่ำมากไม่สามารถเจริญชานทั้ง4หรือปัจจุบันว่าชานต้องมีชานตัดนิชานนัะงเจริญที่ชานดล้วรุ่งชานไปจได้ พวกลงมาศาสตร์ญาติสามารถแสดงทำเจาะทะลวงให้โมสัตว์เหล่านั้นน่ะได้อินทรีย์เหล่านี้คือสมาทินทรีย์ได้แก่ก้าตั้งแต่คันนิกาสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็ได้นี่คือความสามารถของสรรพยุติยานและที่สําคัญที่สุดสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้อ่อนมากในด้านของปันยินทรีย์ไม่สามารถแองตลอดอริยสัตว์ทั้งสี่เปนต้นได้ยินไหมได้อินรีห้าปันยินซีจะบริมูนที่ไหนบริมูนที่อารยสัตว์สีพกสมุทรมีรอดไหม เราอยู่กับทุกข์คือกระแสของขันธะอริยมระอยู่กับโรคอาการเวทนาจัญญาสังขารยาณแต่เราไม่เข้าใจทุกไม่เห็นทุกข์เราฟัวพันอยู่กับทุกข์เพลิดเพลินอยู่กับทุกข์ลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับทุกข์แล้วมันจะไปพ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะสาปัญญายานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกปู่สัตว์นี่ให้ปล่อยศรัทธาไปที่สัพพยุญตยานเมื่อเราปล่อยศรัทธาไปที่สัพพัญญตยานพระสัพพัญตยานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอก ให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเพียรเกิดสติสตเกิดสมาธิโดยเพราะเกิดปัญญายาเหล่าเนี้ทําให้เราสาัตว์เหล่านั้นได้ปัญญาเมื่อพัฒนาปัญญาเข้าถึงขีดสุดปัญญาก็ไปกําหนดรอบรู้ทุกข์แล้วก็ล่าสมุทยัยทําใี้โรแกแจ้งแจ้งแล้วก็อบรมอริมักให้บริบูรณ์เมื่ออาริยมักคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิเป็นที่สุดบริบูรณ์มั่นคงแข็งแรงจืถึงโลมตลอเมื่อไหร่ อาวิมาศเหล่านั้นก็แทงตลอดทุกศัาจิด้วยการเปิดระตูสมุทรทายาัจจาด้วยการละที่รวทศจาด้วยการทำให้แย่และมัททศชาติด้วยการทาให้บุรีดงเทพเงไม่ว่าจะเป็นโสดาปิมัสโสดาปิผลสกาทานมัสกทานมิมิผลานาทามแมและานาทามผลรรมตัโดยเฉพาะอรหัตผลซึ ek, ่งเป็นผลที SO e. ่สูงส really ุดท <within foreign> <RC> okay, ี <ours> <lichen> ่เหล่าประชาสัตว์ทั้งหลายไม่แทงตลอดพุทธเจ้าก็สามารถที่จะเพาะบ่มปันยินรีเหล่านี้ให้ถึงความบรีดวงในอเนสสีเบต้นได้ ศาสตเห่านั้นก็พ้นจากอินธิและขอบพคตเป็นลมไดน้นั้นคือาํานาจของวระถะพันยุติญาณนะครับเนี่ยลักษณะอยนี้ก็เรียกว่าเชื่อมัน่นปัญญาสศศศัจโรของวัตถาพตคือเชื่อมั่นปัญญาเนี่ยเชื่อมั่นยังไงถ้าเราท่านทั้งหลายนะครับท่นนานได้ทำมาพูดหรือทักที่ปรางหนาจะฝ่กับผลพัฒนาตนเองย้อนกลับไปดูตอนที่ค ร, ร, รับรมโพธิสัตว์ท่านประสูตรเนี่ยนะครับ ที่ท่านบอกว่าอคโคหะมัสมีโลกัสสะใช่ไหมครับเชิดโโหหะมัสมิโลกัสสะเศษโโหหะมัสมีโลกัสสะอโยมณีมาชาตินัตถิธา น, นิปุนโภจะมีสองสามคำนะครับอักขะเชษฐะและเศษฐะใช่ไหมครับสามความหมายเนี่ยอักขะแปลว่าเป็นผู้เลิศเชิดถาเป็นผู้เจริญที่สุดหรือใหญ่ที่สุด เจตคก็คือเจริประเสริฐที่สุดใช่ไหมครับอันนี้แปลว่าท่านบอกว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดนะครับเราเป็นผู้เจริญที่สุดเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดอันนี้แปลว่าประกาศก่อนที่ท่านจะประกาศตรงเนี้ยท่านดําเนินด้วยพระบาทเป่าวเจ็ดเก้าแล้วท่านก็มองไปบรรดาหมู่ประชาสัตย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดา ท่านมองไม่เห็นใครเลยมองไม่เห็นใครเลยว่าจะเป็นผู้เลิศเป็นผู้เจริญที่สุดและประเสริฐที่สุดเหตุผลท่านมองอะไรท่านมองถึงบา ร, รมีนั้นคนที่มีกําลังสติแล้วไปคัญยาที่ต้องเป็นบา ร, รมีมาเรียนครบสุดท้ายแล้วเนี่ยเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังก็คือยี่สิบอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรัฐท่านนับ<ช>อย่างย่อค่อสี่อสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากรัฐใช่ไหมครับคําว่าสี่อสงไขยเนี่ย ถ Nacional, ้าเราไปดูทั้งในจริยามีโลกในพุทธธเนีนยไปดูในคัมภีร์หลังๆไม่ว่าจะเป็นชินารังกาลาก็ดีไม่ว่าจะเป็นสัมภารวิปปะหรือคมภีร์ทั้งหลายเหล่านี้ที่ยารึกเกี่ยวกัเรื่องของการบาเพ็ญบารมีทั้งหมดเหล่านี้ยเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าที่เป็นคำภีรุ่นหลังมาจะเป็นสัมภารวิปปะที่อาะารย์ที่แต่ยี่ย่อและขวาญพระพุทธเจ้าไปเนี่ย ลัแต่อย่างนี้คําว่ากว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าเราดูเบื้องหลังว่ามนุษย์คนหนึ่งเวลากล้าที่จะประกาศว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดเราเป็นผู้เจริญที่สุดเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราจักไม่มีอีกต่อไปเนี่ยกล้าที่จะยืนยันตรงนี้แปลว่าต้องมีเบื้องหลังนะครับมีเบื้องหลังมีกลุ่มทางบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเมตตามารบารมีบรรมุฒิยานติสัจอาทิฐานะเมตตาและเวขาบา ร, รมี อุป ป, ร, ป, ร, มป ร, รมีสิบและปรมาจารมีสิมหาปริปรจาคะาหมีทานะับปริจาคะจะถึงการสละชีวิตเป็นที่สุดเราเห็นตัวเนี้ยเห็นวันดาบารมีสิบอุปป ร, ปรมีสิบและประมาจารมีสิบแล้วก็พุทธกา ร, รกธรรมที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างอุกฤษดอย่างยาวนานอย่างมุ่งมั่นอย่างตั้งมั่นอย่างไม่ท้อถอยเป็นตัวขับเคลื่อนและผลัก ด, ดันแม้ในภพสุดท้ายจะแปลกถ้าเราเป็นอย่างท่านเราก็จะประกาศยืนยันอย่างท่านถ้าเราเป็นบารมีเท่าับริลลุนเท่าท่าน ก็จะเป็นเหมืนท่านไม่ต่างอะไรจท่านอย่างนี้นะครับทีนี่คนเราเราเรียนพุทธประวัติก็ดีประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบตัดตอนเนี่ยมีปัญหามากเราเรียนแบบเป็นตอนตอนเป็นท่อนๆเนี่ยอันนี้มีปัญหามากการที่เรารู้อะไรแบบไม่ตลอดสายไม่รู้เบื้องต้นท่ากลางและที่สุดมันก็จะมีการวินิจฉัยต่างๆออกมาด้วยการที่เป็นครึ่ ง, ง, ง, ง, งๆกลางๆและกรณีแบบนี้ในยุคปัจจุบันเนี้ยมันจะมีทังความรู้กับความเห็นเลยครับ ทีนี้นักบวชเราโดยเฉพาะกลุ่มภิกษุทึ่เป็นแนวหน้าของพุทธบริษัทเนี่ยเราควรที่จะมีความรู้มากกว่าความเห็นใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะไปแสดงความเห็นมากกว่าความรู้มุนจะยุ่งอยู่เรียดใช่ไหับและโดยเฉพาะก็คือเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นเนี่ยถ้าความรู้ประกอบความคิดเห็นมีความรู้ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ความเห็นแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วมันปนกันมั่วเลยตอนนี้เวลาแสดงทัศนะอะไรต่างๆมามันเลยกลายเป็นความเห็น แล้วก็ปนกับความรู้นิดเดียวนะครับอยกตัวอย่างเช่นว่าเหมือนเราไปที่พุทธคยาไปแดนเป็นดินแดนตัสรู้รู้จารสมาสุโภยญาณุพระริฆาเราเราก็เป็นมองเห็นก็ไปเห็นสถานที่ตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นก็ะแทนวัชระอ่านเห็นเตียงพุทธคยาเห็นสตางคมหาสถานนะครับสถานที่ประทับที่โพธิบลังมังทีรัตนนาจงคงเจดีทีรัตนาคารเจดีอนิมิเจดี อชปปรราชาภาลัยโคตรเจดีย์แล้วแล้วก็มุดเลยจัตเจดีแล้ว ก, ก, ก็ราชาแลัทธิอัจดีิย์เลยทุกคนเราไปเห็นเจดีต่างๆวันนี้ยแต่เรามองไม่ชัดเราไปดูแบบเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆแล้วเราก็มองเห็นแบบมักขันดาบบ้างอะไรบ้าแต่สมมติว่าเราไปเห็ น, นประมาณทค่ยี่สิเปอร์เซ็นตนี่นด็ีกแปดสิบเปอร์เซ็นตั้นมันโหนมันโน น, โ น, นะครับไม่ได้รู้ทิทีนี้น เ, เราค น, คนประเภทเนี้ย ว่าเรามาแสดงทัศน์มมุมมองออกมาแล้วมันก็เลยขาดขาดวินวินมันเป็นความเห็นปนความรู้แต่ความเห็นตั้ง80แต่ความรู้แค่ยี่ทีนี้มนุษย์ก็แยกไม่ออกไม่เก่งอยู่ไหมสังคมไทยเนี่ยเป็นนักคอมนินาเป็นวงสามารถเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นนะที่นี้พอเความรู้ประกอบความคิดเห็นก็ยุ่งแล้วแต่เนี้ยมันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ส่วนไหนท่อนไหนกึ่งไหนมันเป็นความรู้ไอ้ช่วนั้นเป็นความเห็นใช่ไหมครับโดยสรุปก็คือมันปนกันหมดเลยเนี้ย ก็เลยแสดงออกมาว่าโอ้โนี่พุทธคยาเป็นอย่างนั้นนะนาไปบ้างเลยนาไปบ้างเอาจะออกออกคู่เลยตรงนี้ออกคู่และแอบไปเรื่อยเลยรื่อยเรื่อยเลยเรื่อยเลยมีประเด็นพุกอย่างเวลากเราจะไปสืบค้นคําสอนเราก็ะสัมมาสัมพุทธเจาต้องต้องระมัดระวังมีประเด็นที่สองเอาความเห็นประกอบความรู้ไอ้ประเด็นนี้ชัดชัดตรงไหนศึกษาความรู้เต็มที่ข้อมูลแค่ไหนอ่านให้หมดศึกษาให้หมดฟังให้หมด อะไรมันเป็นข้อมูลความรู้เต็มที่ที่เราสามารถจะทำได้ที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถจะทําได้พุทธคยาจุดไหนเป็นยังไงนีสถานที่ประสูนยเป็นยังไงราาัตนะขั้นวัชระอาจเป็นยังไงที่ประทับตัดสรุปหลังจากตัดสรู้แล้วเนี่ยประทับเสวยตุมดิสุขเจดวันในเจวันนั้นพิจารณาอะไรหลังจากนั้นไปที่อนิมิสเจดีจากอนิมิสเจดีเป็ออนรัตนะจงกรมเจดีจากราาัตนะจงกมเป็นเจดีเปรัตนะเจดีจากรัตนะขราเจดีไป อาชาปาลาตโคจอาชาาลิโกเปมุชจรินซาเจดีจากุจรินซาเจดีไปปาชาลนัลเนัเจดีไปต้นแลวศึกษารายละเอียดมที่ทีไม่หอดูในคมดีเลยถ้าเราดูในไปิฎกในพราวิทยาไกไจะกล่าวเรื่องตรงนี้ก็ไว้ไปดูในอาาที่ดูในสมัญตภาษาธิการภาาดูอาณาจารย์อรไปดูในสาราตทีปีดีกาด้วยนี่นะไปดูในสาราตดีกาเปต้นด้วยแล้วก็โอ้สืบค้นได้หมดเลยนี่คนบางคนอ่านไม่หมด เอาลพราะเราเกิดมาตั้งสองพันกว่าปีใช่ไมเราไม่เห็นยุคหลังๆที่เขาสืบค้นกันมาตามลำดับแล้วแม้เขาให้เหตุผลเขาไวไ้ยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องจะเห็นชัดอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าที่สามพุทธลินมีพญานาคใช่ไหมครับถ้าเราดูไม่ดีเราโหพระพุทธเจ้าเนี่ยพญานาคเนี่ยไปม้วนขนดเบ็ดเสร็จให้พระบรมศาสดานั่ง บนขนดของพญานาคแล้วก็พญานาคก็แผ่พังพานอยู่ข้างบนป้องกันแดดลมฝนเป็นต้นเนี่ยประเทศไทยก็จะทําอย่างนี้ใช่ไหมนี่เพราะอะไรเพราะดูข้อมูลไม่ชัดถ้าดูข้อมูลให้ชัดจริงๆเราจะเห็นโอ้ยจริงๆตัวพญานาคเนี่ยเขาขึ้นมาแปลงกายเป็นมานพพอแปลงกายเป็นมานพหนึ่งมาแล้วเนี่ย เ, เขาเห็นก่อนจะแปลงกายเป็นมานพเขาเห็นพลุ ย, ยานะ่างมารทับอยู่ที่ตรงนี้ พอประทับอยู่ที่สามุจรินนี้แล้วเกิดฝนตกเกิดอะไรทั้งหลายน่ยท่านอยากจะบูชาพระเจ้าเมื่ออยากจะบูชาพระเจ้าก็เลยเนยรมิตปราสาทขึ้นมาหลังหนึ่งเห็นไหมเป็นโลห์ปราสาทเอาละสีคนละเรื่องกันเลยไหมเท่าไรคลองบางด้วย เ, เนรมิตเป็นโลหะหปราสาทขึ้นมาอย่างใหญ่เมื่อเนรมิตโลห์ปราสาทขึ้นมาแล้วก็ประดับประดาตกแต่งเนรมิตเป็นดอกไม้ของหอมขึ้นมาแล้วก็ทําพระแท่นเป็นที่ประทับนั่งด้วย แล้วก็ที่ประทับนอนด้วยถ้ า, าพระพุทธเจ้าเกิดจะเมื่อยเพาราละกายและทําที่เสด็จจงกรมให้ด้วยและในขนาดเดียวกันพญานาคเองก็งขนดล่อรอบวงรอบปราสาอีกทีหนึง่งแล้วก็แผ่บางพานอยู่นูน่นอยู่เหนือประาสาทําไมต้องทําอย่างนั้นเหตุที่ต้องทําอย่างนั้นไม่ต้องการให้กลิ่นกายของตอนเองที่มีกลิ่นไม่พึงปราถนาให้ถูกต้องคานาปราสาดของพระบรมศารรสดา เพราะทาด้วยการถวายเป็นเพื่อูชายนี้เป็นต้นอย่างเนี้เวลาเรามาทําของเราเราก็มาทําเป็นรูปอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนี่ไม่ข้อมูลมันจะไปคนละเรื่องกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเพียงหนึ่งตัวอย่างถ้าเราเจาะไม่ถึงมันก็พูดด้วยความเห็นและพูดตับตามกันมาแล้วก็อธิบายเหตุผลไม่ชัดนี่เป็นต้นอย่างนี้นยกตัวอย่างแต่เวลาจําจกัดนะครับผมจะไม่เจาะในรายละเอียดตรงนี้เพราะผมมีภาระในเรื่องการต้องการจะบรรยายในเรื่องเนี้ย ผมเคยบรรยายทุกท่านเนีเจ็ดวันจริงๆเนียเ่ยมีเยอะแต่ว่าจริงๆผมผมลกล่าวขนาดอยากให้พวกเราเนี่ยได้ข้อมูลความมุ่งมากที่สุดครับชีวิตที่มาเจอกันเนี่ยแค่ช่วงประเดี๋วประเดี๋ยวก็ต้องจากไปแล้วก็อาจจะตายราหมายใจจากตายมาันยุบคนเนี่ยชีวิตมันเป็นอย่างนี้ยันตรงนี้ถ้าสงสัยประเด็นไหนก็สอบถามกันถ้าตอบได้นะครับถ้าถ้ายังไม่ลืมหรือแค่ความเข้าใจหรือพวามรู้หรืออยู่ก็จะบอกให้ชัดที่สุด ตอนนีจะเป็นเราพี่จะเปลนไปได้แค่ตรงนี้อยากให้เราท่านทั้งหลายได้มีศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่บอกหนึ่งอักขาสองเชิดถาสามเสดฐานเนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงว่าในยุคสมัยครั้งพุทธกาลก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าโยบัดเกิดขึ้นเน่ยคนเขานับถืออะไรนับถือพระพรหมนับถือพระอินใช่ไหมทั้งป่าไม้บ้างภูเขาบ้างดวงจันทร์บ้างดวงอาทิตย์บ้างเทวดาบ้างพรหมบ้าง นับถือกันมั่วหมดต้องต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนฉะนั้นเขาจะถือพรมสูงสุดไม่ใช่ถือธรรมะสูงสุดแต่เมื่อพระโพธิษัทตว์วิรคขึ้นมาแล้วเหองทัดคําว่าท่านบอกว่าเราจะเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้เลิศที่สุดเราเป็นผู้เจริญที่สุดเราเป็นผู้กระเสริฐที่สุดเนี่ยอันนี้อมบอกว่าถ้าใครสามารถบำเพ็ญพุทธการะธรรม พุทธการกรรธรรมก็คือฐานบารมีศีลบารมีเนคขมารปัญญาวิริยะขันติสจ่าทิฏฐานเมตตาเวขาบารมีโอปปารมีสิบปรมาทบารมีสิบบารมีเหล่านี้เป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมในบดาบารมีสิบเนี่ยเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมจริงๆแล้วเป็นนามธรรมจริงไหมรูปธรรมมันเป็นบารมีไม่ได้เข้าใจไหมรูปธรรมเป็นบารมีไม่ได้ เพราะรูปธรรมไม่ได้มีชีวิตจิตใจอะไรแต่ตัวบารมีนั้นเป็นนามธรรมนั้นบารมีสิบอุปบารมีสิบบารมีอมีสิบเนี่ยย่อลงมาคืออะไรย่อลงมาก็คือสติปฐานสี่สมปทานสี่อิทิบาสีอินทรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดมรรคมีองแปดก็คือโพธิปัจกียธรรมเนีไงครับอาจารย์โพธิปักกียธรรมเนี่ยย่อลงมาอีกได้ไหมย่องมาอีกได้ไหมได้ ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสัางกัปปสัมมาวาจาสัมมากรมารมตะสมาชีวะาเ ส, ม า, าสมาสติสมาสมาธิเดี๋ยวต้องไยายอี่ออัยอลงมาอีกได้ไหมศีรวิสุท ธ, ธิจิตตะวิสุทธิทิฏฐิวิสุท ธ, ธิกังขาวิจารณวิสุทธิไดงไหแล้วก็มารคามารคญาณทัศนวิสุทธิปฏิบทยานทัศนวิสุทธิแล้วก็ญาณทัาานาาศนวิสุทธิธายอลงมาอีกได้ไหม ได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาทีา่มาเนี่ยนี่บา ร, รมีคือตัวนี้ไงถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ก็เริ่มเห็นชัดได้ยังอ๋อบา ร, รมีจริงๆถ้าโดยย่ อ, อคือศีลสมาธิปัญญาไปวิสุทธิเจตก็ได้เป็นอริยมรรคมีองค์แปก็ได้เป็นโที่ปัจญาธรรมก็ได้สาเจประการมีตนก็ได้ฉังนั้นในบรรดาบา ร, รมีเหล่านี้เนี่ยเห็นไหมว่าทานบา ร, รมีแล้วก็เอ๊ะม่ขับเน้นที่ตัววัตถุแต่จริงๆมันขับเน้นในเจตนาทานใช่ไหม อโลภาทานเจตนาทานเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวขับเคลื่อนจริงๆมันคือตัวเจตจำนองความจงใจเขาเรียกว่าทานะเจตนายโยถาที่กองทัพของทานในบาลมินนันถูกขับเคลื่อนจากเกจตจำนองความจงใจและความตั้งใจในการที่จะผลักดันใช่ไหมผลักดันอโลพาทานมีความไม่โลภอะโลสัทานมีความไม่โกรธใช่ไหมครับอโมหะทานก็คือความไม่หลง าเรียกว่าฉันท่าานางโทสะทานงโมหาทานนงพญาทานางมุรันภรานางักขสาานางสมนัทานนงนกบัจิตตับบงการะานาเคยเคยเคยอ่านมาเลยเ ค, ยคนค้นในประเไม่เคยเลยใหรัถ้าฉันท่าานานางคือการให้ทานด้วยลำเอียพอรักเลยครับเราเป็นไหมครับเรารักใครมากใครคนนั้นมากรักน้อยให้น้อยไม่รักไม่ให้เลยเคยเป็นไหม เนี่ยรักกรณีอย่างนี้เขาเรียกฉันทาทานนางโทรสาทานังให้ทานด้วยความโกรธหงุดหงิดด้วยให้ด้วยมาขอแต่เราทานก็โยนให้มันไปเรื่อยๆเคยไหมนะเนี่ยเรามีโทรสาธานถ้าโมหะทานทานางก็คือให้ทานด้วยความกุ้งสั้นก็ให้ทานด้วยความมันเลยสงสัยเรื่อยๆุ้งสั้นก็ให้ไปไหแล้วก็ลังณีสงสัยไม่คิดว่าผลทานจะมีผลหรืไม่มีผลอย่งไรนี่เรื่องโมทานนางใช่ไหครับทยาททานังให้ทานเพราะกลัวเคยมียนะครับลูกน้อง คนที่บวชที่หลองเราก็ให้ทาน200บาทอีกเราจะไม่ให้200บาทหน้าเกลียดนี่จะเป็นเีเาให้ของพี่มากก่าเราใช่ไหมเขาเขาเข า, า, าให้จําค่า100แต่เราจะไ่ให้200หน้าเกลียดจะเป็นตัวเสียชื่อตัวเสียหน้าเสียตาต่างนี่เะย า, า น, นันแล้วก็แล้วก็แล้วก็ูลังสถานนงให้ทา น, ทานตามปกติดีเลยนะู้ายยายายาแม่ผู้ตา ย, ายายาให้มาเทศการยังบวชแต่งนนงนอะไรเย ก็ให้กันไปลักษณะเนี้ยตามประเพณีให้มัาให้ไงแล้วก็ศักขศาทานนางให้ทานหวังสุกติโลกสวรรค์ก็เห็นไหมครับเออพราะคิดว่าการให้ทานแบบนี้แล้วจะได้สุกติโลกสวรรค์ก็เลยให้ลักษณะนี้เขาเรียกศักขศาทานัางสมนาทานให้แล้วมันสบายใจอย่างน้แพอให้ให้แล้รู้สึกมันดีใจอะถ้าไม่ให้รู้สึกมันไม่เหมือนไม่ได้ทําอะไรพอให้รู้สึกมันสุขใจเป็นซาบสบายลักษณะอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นฉันทาทานนางโสทศทานนาง โมหาทานังพยาทานังกุรังสะทานังสัตธาทานังสมละการเจ็อย่างนะี้เป็นให้ทานที่ไม่เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีดูสิเนี่ยการจะบำเพ็ญบารมีไม่ง่ายเลยนะครับแบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นบารมีนะไม่ได้เป็นปัจจัยในความสุขแต่ที่เหนือได้ความรูเพราะเป็นการให้ทานที่ยังถูกควบคุมด้วยตัณหามน้าที่ถี่อยู่ มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลอยู่มีตัณหารอบร้อมในวอดแวดล้อมในสภาพจิตใจอยู่เป็นการให้ทานแบบหวังผลหวังให้ทานแบบมีตัณหาความพยายามอยา่างพิจิตรือความเห็นผิดแล้วก็มานะกือยกตนชนตนเปรียบเทียบตนเป็นตัวขับเคลื่อนในการให้ในการสลับในการแบงปันอยู่อย่างที่ไม่เรียกว่าบารมีแต่จะเป็นบารมีได้ก็เป็นกิตติลังกาล า, าทานังให้ทานเพื่อประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิต ไปสู่ศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาให้ทางประดับจิตตแต่จิตุ้งุแต่จิตไปสู่ศรัทธาเวียสติสมาธิปัญญาให้ทางเพระดับจิตตกแต่งจิตพุ้งแต่จิตไปสู่สมาธิจิตสมาธรรมปาสมาวาสมากรรมจสมาชีวสมาวิมาสมาปิสมาสมาธิให้ทางเพื่อเป็นปัจจัยในการสิ้นเกิกิเลสกองผู้จริง เพื่อการขัดเราจริงๆไม่ใช่สลักข้างนอกอย่างเดียวสลักข้างใน <c oughs> ด้วยอันนี้ถึงจะเป็นเจตนาโยธาทานที่จะเป็นกองทัพของฐานนบา ร, รมีเห็นไหมแค่ทานนบาลลัข้อเดียวก็ยังเป็นปัญหาแล้วมองเห็นไหมครับยากไหมเนี่ยอันนี้คือบาลลันะที่กว่าจะได้มากว่าจะเป็นโพธิญาเนี่ยไม่ใช่ว่าให้หัวหัวแล้วเป็นบ ร, ริญาได้หรือเรียกบรรัลบังก์ไม่ใช่เลยแค่ทานรรมีองค์ประออรกอบเยอะเยอะแยะแล้วดี ปัจจัยมากมายและมีความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ให้ทานตามความเห็นไม่ใช่ตัวอยากจะสร้างอะไรก็ได้สร้างไปเถอะแต่ไม่ทํางให้ความรู้ขยันในพุทธศาสน า, าห้ามไม่รู้อย่าเพิ่งขยันอันนี้เป็นเป็นเป็นจุดสําคัญของพุทธศาสนานะไม่รู้อย่าพิ่งขยันไม่รู้อย่าพิ่งไปให้ทานไม่รู้อย่าพึ่งไปรักษาศีไม่รู้อย่าพึ่งไปเจริสมาธิไม่รู้อย่าพึ่งไปเดินปัญญาหมาบ อ, อกสิครับ นั้นทุกอย่างให้ข้อมูลความรู้ก่อนทิ่งขับเคลื่อนทีหลังมันขับรถเนี่ยไม่รู้เส้นทางอย่าอยากจะบี้จะ บ, บานขับขึ้หลงมีอะไรไหมในลักษณะนี้เกัน่างนี้ครับในพุทธศาสนาเนี่ยเนื้อใจสอนอย่างนี้จังการบาเพ็ญบา ร, รมีว่างแต่ฐาคตโพอที่ศราก็คือเชื่อเนี่ยเชื่อมั่นปัญญาให้สังเกตตัวนะเชื่อมั่นปัญญาต่สรุเมื่อเกิดมีความเชื่อมั่นปัญญาแล้วตัวตั ว, ตวความเชื่อมั่นเนี่ย สแสวงหาปัญญาทันทีครับไม่ใช่เชื่อมั่นบุคคลไม่ใช่เชื่อมั่นปัญญายานแล้วก็ไปฟังสัพพยุตยานว่าอย่างไรอนาวรลยานว่าอย่างไรอินทรียาปรโรปริยติยานมหากรุณาสมาปัฏิยานยม ก, กะปฏิหาริยานอาศยานุติญญายานทุกสมัยที่ทรงประกาศออกมาสแสดงออกมานั้นปัญญายา น, นั้นว่าอย่างไรจากศรัทธานี่แหละก็เกิดความเพียรเกิดมีสติกำกับ เกิดสมาธิความตั้งมั่นในการเจิดจ่อในการเียศึกษาเรีรู้พอเรียนรู้ขึ้นมาเปียเสร็จปุ๊บจากศรัทธาพัฒนาไหมครับพัฒนาไปถึงความเพียรจากความเพียรก็ถึงส ต, สติสติพัฒนาถึงสมาธิสมาธิเรพัฒนาไปถึงปัญญาเมื่อได้ปัญญาญาณตาบุคคเจ้าแล้วนี่ไงเขาเรียกศรัทธาเพราะเชื่อมั่นปัญญาท่านั้นที่จะนําพากระแสะชีวิตมนุษย์เนี่ยให้พ้นจากกิเลสและกองทุกได้เชื่อมั่นตัวปัญญาตัวนี้เราจึงต้องศรัทธาที่ปัญญาศรัทธาที่สัพพัญญตญาณเชื่อมั่นที่สัพพตญาต เมื่อไรศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระสัพพยตญาณและพระสัพพยตญาณจะบอกอะไรเราจะบอกหลักการว่าทุกข์คืออะไร<ม>เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรปฏิปทาทางดําเนินให้เข้าถึงความดับทุกข์นั่นคืออะไรใช่ไหมครับหลักการคือตรงนี้ฉะนั้นกรณีที่เราบอกว่าเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่พอจะเข้าใจไหมว่าหนึ่งเชื่อมั่นปัญญาของพระตถาคตคําว่าเชื่อมั่นอะ่ะเหมือนเราสวดว่าอารหังเนี่ยพุทธเจ้าเป็นพระอรหังใช่ไหมครับ แล้วเราก็เอาเราเชื่อมพระพุทธเจ้าเป็นพระานเชื่อมั่นไหมว่าเป็นสัมมาสงังพุทธาตัดสรุปชอบได้ด้วยตนเองเชื่อมั่นไหมครับเ ช, ชื่อมั่นไหมว่าพระพุทธเจ้านั้นมีวิชาแปดจารนะสิบห้าเชื่อมั่นพุทธเจ้าน่ยทรงสเสด็จไปดีแล้วก็คือสเสด็จไปตามมัชิมาปฏิปทาตามทางสายเนี้ยคือสมาธิฏฐิเป็นต้ น, ตนจนถึงสมาสมาธิเป็นที่สุดและเชื่อมั่นพุทธเจ้าดําเนินไปตามมชิมาปฏิปทาเข้าถึงอนุ ป, ปาธาปริณีพาน คือพ้นจากกิเลสและกองทุกและไม่กลับมาเกลือกกลัวกิเลสและกองทุกอย่างเราๆท่านทั้งหลายอีกนี่เชื่อมัน่นเชื่อมั่นพระเจ้าเป็นโลกวิทูรู้แจ้งทั้งทั้งขันธโลกสัตวรรโลกและโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินโลกคือหมู่สัตว์โลกคือกระแสของขันธาตุอายตนะเนี่ยเชื่อมั่นพระเจ้าเป็นโลกวิทูอย่างนี้นจริงๆเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเป็นสารถีผลบริวชิสมควรสุดได้แล้ไม่มีใครดี ก, กว่า เชื่อมั่นในพปรมาศร์ศาลาเป็นศาลาของเทวดาอะไพวกตั้งหลายเชื่อมั่นพุทธเจ้าเป็นผู้รู้อานิสสตีตือจักราคะโาสะโมหะแล้วก็เบิดบานก็คือเป็นอิสระเสรีภาพไม่กลับมาลพวกกิเลพเป็นบุคคลที่มีอิสระเสีภาพจริงๆไม่มีกิเลสเป็นทางดาเนินเป็นเครื่องเป็นเครื่องคุ้มครองต่อไปแล้วเชื่อมั่นพุทธเจ้าในผู้จาแนกแกแจงสิลสมารถปัญญา แจกแจนน้ำมาที่กินเป็นต้นเหล่านี้ถ้าับมูสัตว์ทั้งหลายได้รับอริยทรัพย์แล้วก็พาตัวเองบอกวองและบอกคนใกล้ตัวแล้เชื่อมั่นแบบนี้ไหมทีนี้จากการเชื่อมั่นริยาอย่างนี้ก็เลยเชื่อมั่นพระธรที่บ่สร็จเป็นตัวแสดงไหมพระทําเป็นธรรมที่ปริยญาตรัดไว้ดีแล้วเนี่ยคำว่าดีแล้วในที่นี้หมายถึงอะไรถามว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นความงามในเรื่องต้นสมาธิเป็นความงามในท่านการปัญญาเป็นความงามในส่วสุด หรือศีลสมาธิปัญญาเป็นความงามในต้นต้นอริยมรรคอริยผลเป็นความงามในท่ามการนิพพานเป็นความงามอันสูงสุดฉะเชื่อมั่นพระธรรมมีความงามทุกระดับเมื่อเชื่อมั่นแล้วโอ้เนี่ยเราจะเข้าถึงความงามของธรรมะระดับศีลคือเบื้องต้นให้ได้ความงามของพระธรรมระดับสมาธิคือท่ามการให้ได้ความงามของปัญญาคือความแทงตลอดอริยสัจเนี่ยระดับสูงสุดให้ได้ในอัตภาพที่แหละในชาตินี้เนี่ย เชื่อมั่นแบบนี้ น, นคะครับเชื่อมัน่นพราธรรจะทําให้บรรดากระแสสัตว์กระแชีวิตของสัตทั้งหลายที่เขถึงความงามในตริต้นทำการในที่สุดเนี่ยหมด จ, จกกอือจีเลยสําหรับเนี่ยว่าธรเป็นธรรมยุทธิยาจัดไว้ดีจริงๆแล้วกระธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่ปฏิบัติแล้วอยากให้ผลได้จริงๆไม่จํา ก, กัดการในที่นี้นหมายความว่าถ้าประชมอริยมรรคได้ไม่ต้องรอเวลาว่าพรุ่งนี้อริยผลจะเกิดอริยมรรคเกิดพุ จะต่อได้อะไรจะผลเป็นอนันตระสมานตระ น, น, นันจอมนิสตญาณจีนิกตัดคือท่านที่ท่านใดเลยไม่ต้องรอว่าโอ้เนี่ยธรรมะเกิดแล้วรอชาติหน้าจะให้ผลพวกนี้จะยังให้ผลก็เมีนี้จะไม่ผลอะไรมาระเกิดเวลาใดอะไรมะผลที่เกิดติดต่อจะไม่มีระหว่างท่านคืออนันตระท่านที่อตรงนี้ที่เชื่อมั่นตรง น, นี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าเมื่อเราสามารถเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันสกาทาน า, า, า, ารามิตนแล้วเราจะรู้อีก ไม่ต้องให้คนอื่นมาพยักกรเราจะรู้ได้เองว่าราคเราหมดไปแล้วความกำหนัดโภสักหมดไปแล้วโมหาหมดไปแล้วกายยาคุณเฉย่จริงเฉลี่อเมื่อโน่เืลี่ยความสัรกรรมมันชั่วร้านหลายทิ้หมดสิ้าระแสทีนีแล้วนแต่พิจารณาที่นี่็ต้นไปมันจะฉิ่งที่เองอย่างนั้นจริงจริงนะครับไม่เช huh ื่อว่านี้พระรรมมีต้นเราดูว่าคนนั้นหลัการมีคนที่เข้าถึงท่านนี้ประกาศยืนยันขอให้เราเข้าไปพิสูจน์เข้าไปศึกษาฝุกฝนเพื่อปฏิบัติแล้วท่านจะประสบแต่ในกรณีน ที่เชื่อมันผสงมนะสงสารวกของพระนิกายปฏิบัติดีนะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตรงก็คือดาเนินไปตามอริยมรรคโอปเข้าดูมัจฉาปิปันทานปฏิบัติสมควรแก่การที่จะพ้นจากเกลียดและปลอบพวกไจริงเนี่ยนะทีนี้กรณีอย่างนี้ก็คือจากตถาคตที่ศรัทธาก็ขยายไปรัตนายาตัศถานก็คือเชื่อมั่นในพระรดาลตัยพอเกิดความเชื่อมั่นในบรรดตลตัยปุ๊บหนึ่งบางคน มีจุดต้ยตรงไหนร้ไหมเชื่อมั่นพระเจา้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในบริยส่แต่ไม่เชื่อมันอ่นกตีเป็นไหมครับถ้าเชื่อมั่นพระเจา้านะพระเจา้าเป็นสัมดาวอะไรจุดครบเพื่อเห็นธรรมปลอกไก่ที่อยู่ในไข่ให้ตื่นขึ้นมาอย่าหลับไหลอย่าอ่อนแอ ให้ฝดฝนประเด็นทำจะน่อยปากวิธีการทำยังไงจะน่อยปากปแข็งแรนทำยังไงจะคงแรงจะแข็งแรงแล้วทาันเจาะตะปอกไข่ฉีกเปลือกไข่แล้วหลอกสุความในโลกความวิสัยหรือวิภาพมันไ้เหราแค่นี้เองครานี้่ไหมแต่นี่จะชัดใั่ไหเราเป็นไก่ตัวตัวหลังหลังที่อยู่ในเปลือกไข่เปลอกไข่ที่หุ้มนั้นเหมือนอะไรเหมือนเอาวิชาที่ความมืดบอดนี่ครับ คือความมืดบอด่ยมันมันควบคุมกระแสชีวิตเราอยู่แต่คนยาวย่อเจะบอกไยเจอบเอาวิชาลุกออกมาแล้วเป็นอีสรารสิงอีกภาพก็เลยบอกไก่มรดาไก่ที่อยู่ที่เปลือกไทยือหลายบอกว่ามนุษย์สามารถหรือไก่เนี่ยมีความสามารถที่ปุ่ตัวเนีเช็นแขนนแขนแล้วจาบปลุกไทยเดินออกมาแด้วนย่าเราเนี่ยจะต้องมีวิธีนะเพะว่าจะจุดคบเพลิงทําัดปให้ตื่นเอามัที่สมกับสรู้นั่ก็ปก ครบเพลิงยังทำบ้านเนี่ยตอนนี้จุดอยู่นะครอบเพลิงคือศีลสมาธิปัญญาคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคือ ส, ส, สมาธิกิตคือตอนนี้จุดครเพีิยัทํา้านไว้ให้เราได้ตื่นขึ้นมาอย่าละบลับตายไหมก็จะจอมอยู่ในเปลือกไข่แล้วก็จอมอยู่ในสังสารวัฏทีนี้ตรงนี้เราขาดตัวนี้แหละครับขาดอะไรขาดตถาคตโพธิศรัทธา คำว่าตถาคตโพธิสัต t h เนี่ยต้องเชื่ออย่างนี้นะครับถึงจะเรียกว่าตถาคตโพธิสัต t h สรุปนะครับหนึ่งเชื่อมั่นปัญญาตรรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่านั่นเป็นพระเจ้าจริงๆเชื่อว่าธรที่องค์ทรแสดงก็ดีจริงด้วยทั้งบนต้นน้ำกลางไม่พิสุดเชื่อปัญญาบุริยสงสามารถเดินตามพระพุทธเจ้าให้ตลอดตามพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยได้เนี่เชื่อมั่นเป็นพระตัณฐาตรัสรู้ตถาคก็เลยเอาความเชื่อมั่นนั้นย้อนกลับมาที่ตนเอง พย้อนกลับมาที่ตัวเองก็เกิดความเชื่อมั่นว่ามนุษย์ตัดสรู้ได้แล้วเข้าใจยังมนุษย์ท่านแรกคือพระพุทธเจ้าตัดสรู้ได้แล้วแล้วพระองค์ก็จุดคบเพลิงแห่งธรรมะไปประกาศให้กับปัญจวัคคีทั้งห้าโกนธัญญาวปะพภติยะมหานามะอัสชิได้ตัดสรู้ตามใช่มญาศาสตร์ควรระบุสุภาปุณณชีเขวมปฏิสหายอกห้าสิบสี่ตัดสรู้ตาม พัทธวัคคีสามสิบตัสรูตามปัญญวัคเอะชินีสามพี่น้องบริวารหนึ่งพันตัศนูตามพระเจ้าพิมพิสารบริวารหนึ 000, 00, ่งพิมเอะเถวแสนหนึ่งตัศรูตามนี่เป็นต้นอมอเห็นหรอยังนั่นแหละเราก็เลยเชื่อมั่นว่าเราต้องได้ตัศนูแน่ถ้าเราดําเนินตามนี้ถ้าไม่มีความเชื่อมั่นอย่างนี้ท่านวงเล็บเลยว่าไม่มีตถาคตโพธิสัตว์อันไรอย่า bon, ง มีไหมครับมีไหมถ้ามีแค่ว่าเชื่อพระรูปเจ้าว่าเป็นพระรูเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้กไกลจากอิเล็กต์ก็ยังแต่ไม่เอาความเชื่อย้อนมาที่ทยยละเอียแล้วก็เชื่อว่าเราก็จะเป็นผู้พุ่นที่ตัถรูปกรรมถ้าไม่เชื่ออย่างนี้ไม่เรียกว่ามีตถาคตพิเศ ษ, ษแต่ว่ษษาคุณยิ่ีศ ไม่ใช่สวดแบบอกเรื่อยๆอีพีวิโสปะกาวาอาลังสมาสำพโุโธไปเรื่ยเพราะอีพีวิโสปะกาวาแม้พเพราะจิตนั้นพระพุทธเจ้าพระองคันอาลัพระพุทธเจ้าเป็นรพระหังเราก็จะฝุดตนเองเป็นพระลันี่แหละสมมาสำพุโธพระพุทธเจ้าจะรู้ได้เโดเยองประกาศให้คนอื่นจะรู้ตา ม, ตารมา 5. เราก็จะรู้ตามท่านนี้ได้วิชาจจรณสัมพนโนมอกด้วิชาแปดเจริสห้าเราก็จะเป็นพร้อมสิงสมาธิปัญญาทั้งวิชาและเจรณญตามพระสำมาพระพุทธเจ้าได้ สุคตโตพระเจ้าดำเนินไปตามมัชิมาปีติทางถึงนุปการธาตนิพพานเราก็จะดำเนินไปตามมัชฌิมาปิตทางถึงอนุปการธาตุนิพพานถ้าเขาสวดแบบนี้นะครับคุณพี่เขไม่เรื่อนรอแต่ก่อนเราสวดเรื่อนรอยใช่ไหมครับเลื่นไปเรื่อยะไม่กระตุกความเชื่อมั่นมันดีจะเป็นแบบนั้นไหมครับสวดไปเรื่อยแล้วก็เบื่อเรื่อยแต่ไม่มีความมุ่งมั่นแบบเราต้องกัดท ถ้าเราไปที่อินเดียเนี่ยถ้าไปอ่าออปนประวัติของเอเวนกาดักเติรนอิเมสกาดนกเติร์อิมเมกาขมองมองกลุ่มพวคนที่ด่นขพวกสู่พกัเวลาท่านมองไปที่ตาของบุคเลนให้ผิหหวังใช่ไหมท่านบอกว่า ทำไมมีแววตาเหมืแพะเวลาเขาจะบูชา ย, ยันเขาจะเอาเอาเอะไรไปบูชานเขาาราชสีดีแข็งวางเอาแพ้ไปบูายันอันนี้บ่งบอกความไม่สู้ความไ ม, ม่เชื่อมั่นตัวเองแล้วก็ยอมจำนนกับการเป็นสูลจะเป็นยทานเหมือนคนบาคนยอมจำนนของความเป็นขี้ข้าเขาเป็นขอทานยอมจำนนของความเป็นชาวไร่ชาญายอมจำนนเป็นชนชั้นต่ำ แล้วก็ไม่ขวนขวายฝึกฝนพัฒนาตรงนี้มันเป็นคติให้เราคิดว่าเราเนี่ยยอมจานนกับความเป็นบุรุชนผู้พืดบอไม่ใช่บุรุชนธรรมดาเลยนะบุรุชนมีสองกลุ่มใช่ไหมอันทะพาละบุรุชนกับกายยาบุรุชนถ้ากายยาบุรุชนแปลบุคคลที่เป็นคนดีที่ประกอบไปด้วยกุศลกรรมบทสิบ แล้วผลขวาในการที่พัฒนาประเด็นที่ยิ่งขึ้นไปเข้าสู่ความเป็นอเนกชนยังไม่ด้วยการยานุพันธุชนแต่ถ้าอันท้าพาลักนุพันธุชนอันท้าในเบอกบดพาลัารนโมกในเราเขาด้วยนี่นักนุพันธนผู้บอดด้วยเขาด้วยก็คือบุพัธุชที่จองอยู่ในอกุศลกรรมบทฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทศส่อเสียดคำหยาบเลือดโลกโรดแล้วก็เห็นผิดก็จองอยู่กับกายในตัวเจริญเมื่เชี่ยตัวเจริญเมอโนตัวจริญ ยอมอยู่กับความชั่วร้าออยยรมบลูกสิ่งไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ไม่ยอมผลขวายกดเรื่องตนเองออกจากความูกกรรมชั่วร้ายเลยลักษณะ น, นี้เขาเรียกอันทะทาระบุตุชนใช่ไหมครับลักษณะอย่างเนี้ยเขาจะบอกว่าคนบางคนนั้นนะ่ะมีทิฏฐิมีทัศนคติที่วิปริตเป็นเพีย้ยสมาทานตนเองจม อ, อยู่กับความนิสิดจม อ, อยู่กับความเป็นอยู่กับบาปอกสน และก็ไม่คิดว่าตนเองจะขนถ่ายออกจากความเป็นมนุษยก็ถูอความเป็นอาเรียไดนะ้นี่เขาเรียกว่าไม่ต่างอะไรกับแทกพวกที่โดนเชื่อบูชา ย, ยัานชนฉะนั้นให้เป็นเหมือนราชสีก็คือมีความอัตห า, าและแลกล้าว่าเราจะต้องออกจากความเป็นมนุษนก็มูดบ่ อ, อนี้ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะเราเกิดมาเป็นสัมภ н เชื้อสายสาระยบุตรพุทธชินนท์ก็จรินโบรินมากที่นนนะนใน พกเราเป็นสมณนเนี่ป็นวัตสตนี่ยท่านไม่้สมมนาสมมนามีต่งหลายอย่างใช่ไหสมณนาที่ไม่เย้เชื้อสายสากยบุตรมีเยอะแต่สมณนเชื้อสายสากยบุตรพุทธชินโรดใช่ไเป็นบุตรของคพเดยาวคนที่ชนะที่เดีดแล้วถ้าเราต้องการอยากจะเข้าถึงสถานะตรงนั้นเราก็ดำเนินตามรอยรอยบาทที่พระองค์ทรงดำเนินไปแล้วก็จะสามารถพขที่กิจุตองคุเป็นต้นญาติเปน พอจะบอกเห็นไหมครับอันนี้ผมก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดอยากจะพูดให้เราเข้าใจมากศรัทธาโคตรโตที่สรัคาเพาจะพอจะชัดไหมประเด็นนี้ย้อนย้อนกลับไูเราแล้วเราพอจะมีไหมครับพอจะถามโคตรโตรที่ศรัทธตรงเยไหโอ้ควานั่นชื่นใจเนี่ยอย่างนี้ต้องกบกบความคิดตัวโยนถ้า พบเคองข้าไฟคือศรัทธาที่ตถาคโพธิศรัทธานี่ดับอเทีนี้ศรัทธาที่เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยถามว่าเราจะาให้พระพุทธเจ้ารักษาศรัทธาเราหรือเราจะรักษาตถาเราเองเ ร, รเราให้คนอื่นรักษาเราได้ไหศรัทธาเนี่ย ไ, ได้ ได้เวลาังได้ ไ, ไ, ดไหมใตอนที่นางอะไรนะสุ ป, ปวาศาลหรือไงที่ตอนนั้นไม่แน่ใจเราเป็นพระพุทานาหรือไงตอนนั้ น, นอ่ะตอนนี้ผมอาจจะลืมเลยตอนที่มีคนมานาง น, านิมนต์พระเจ้าด้าแล้วมาขอมาขอแทกเอาไปขอบนรพระเจ้าวัมนีระสมไปที่นี่ก่อนนางยืง่นสองประเด็นว่า ความไม่แน่นอนหนึ่งทรัพย์สมบัติของตนเองจะวิบัติไปเมื่อไหร่ก็ได้ใครจะรับประกันสองชีวิตอายเจ็ดวันอนาตายก่อนก็ได้ไม่ได้ทําความดีก็ได้ใครจะรับรองฉันสามสำคัญคือศรัทธาคือความเชื่อมั่นในการที่จะให้ทางที่ญญมีพริญาณทรงเป็นเจ้าประมุเป็นเจ้าเหล่านี้ใครจะรับรองใครจะรับสารให้ถ้าเห็นแล้วรับรองสองประการเพราะท่านรู้นะเพใาะฉั้นท่านบอกว่า ชีวิตยังไม่ตายแน่ภายในเจ็วันเม้ทราบว่าบัดก็ยังอยู่ยังเป็นวิบาตไปก็โจนบังพวกประลาชาบ้างมีพวกใครวิบตกต่างๆบ้างแต่ศรัทธาไม่อาจจะดูแลให้เกิได้จกว่าตายอย่างนี้เหไเรื่องศรัทธาจะเป็นานมามธรรมที่รักษายากมากถ้าทำใ ห, ให้เกิดได้ต้องรีบทำสังเกดตดูตอนที่พรหมรัตนาพระเจ้า ตอนนั้นพระเจ้าทรงขนขวายน้อยที่จะไม่ประกาศธรรมและสามวดีเขาก็มาบอกใช่ไหมบอกโลกจิตวิภายและเป็นเจ้าเหล่านี้ก็งมารัตนานพุเจ้าขอพุทธเจ้าทุกแสดงธรรมเถิดออาูหสถที่มีตาคือปัญญาปัญญาในดวงตาที่เลเนี่ยผู้รีในผู้รีในผูรน้รีในใจน้อยอยู่ราคะโศมสามโมหะบวงมีอยู่สักงเห่นี้จะเสียโอกาสี่เสียประโยชน์ถ้าพระบรมศาสน า, าไม่โปไม่แสดงใช่ไหมรับ พระพุทธจ้ก็เลยบอกว่าดูกรชมถ้าอย่างนั้นขอให้สัตว์ทั้งหลายจงปล่อยสรัทธามาที่เราคือว่าจงจงปล่อยความเชื่อมั่นไปที่พระพุทธเจ้าที่ปัญญาของท่านเถอะแล้วจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของปัญญายานของท่าน นี่เราโดยมากเราไม่ยอมปล่อยความเชื่อมั่นไปที่ปัญญายาดของท่านเลยไม่น้อมที่จะฟังคําสอนของท่านไม่น้อมที่จะศึกษาสิ่งที่ท่านรู้ไม่น้อมที่จะศึกษาสิ่งที่ท่านดําเนินไม่น้อมที่จะศึกษาว่าท่านมีจริยาวัดบำเพ็ญบารมีอย่างไรฉะนั้นมันเหลือตรงที่เราไม่ยอมปล่อยศรัทธาเราไปเราไปกักเขาไว้ซะนี่ยเข้าใจอย่างนั้นปล่อยให้เต็มที่ปล่อยให้เป็นเหมือนน้ําไหลออกมาจากภูเขาทําร่องเนะี่ย พุ่งลงอย่างแรงยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมล่ะพุ่งไปที่พระพุทธเจ้าถ้าเราปล่อยศรัทธาเราเต็มที่นะเราจะได้ปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เราเรามีปัญหาตรงนี้ปัญหาตรงที่ไม่กล้ากปล่อยความเชื่อมั่นไปที่พระพุทธเจ้าแต่โดยมากเราเอาความเชื่อมั่นไปเรื่องอื่นเยอะหมดเลยสังเกตดูนะถ้าเรื่องอื่นเนี่ยโอ้โหเราเชื่อง่ายมากบางทียังไม่ได้เห็นไม่ต้องพิสูจน์เชื่อแล้ว แต่เวลาคําสอนพระเจ้าเนี่ยเราอ่านไประวังไปอ่านไประวังไประแวงไ ป, งไปสังเกตดูไหมไม่เชื่อมัน่นปัญญาญาของนักนี่คือปัญหามันก็เลยเป็นตัวปิดกั้นปัญญาของตนเอง <c oughs> แทนที่เราจะได้ปัญญาเต็มที่ก็เลยไม่ได้แทนที่จะได้เสพคุ้นปัญญาเต็มที่ได้ความฉลาดเต็มที่ <c oughs> ได้ความรอบรู้เต็มที่มันก็เลยไปทีละนิดละนิดไปซะนี่ใช่ไหม นี่ปัญหาคือเราไม่ปล่อยศรัทธาไปที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีอุบายวิธีในการที่จะปล่อยด้วยนะเนี่ยนี่คือปัญหาฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าให้เชื่อมั่นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตอนนี้พวกเราสงสัยไหมไม่กล้าไหมไม่กล้าทุ่มเทในการที่จะเชื่อมันอ่นปัญญาเป็นที่เปนกนทางมีอะไรขวางไหม อะไรเป็นตัวขัดขวางทําให้เราไม่ศรัทธาเลยนะรู้ไหมครับอะไรกิเลสตัวไหนเป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาอ่าทิฏฐิมานะมีตัวไหนครับปัญญาฮะปัญญาแล้วกิเลสตัวไหนเป็นปฏิปกักษ์ต้องข้ามกับความเชื่อมั่นที่ทําให้เราไม่เชื่อมั่นในพระรัตนตรยัย เออใช่ภาษาพาก็เรียกวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาเนี่ยเรียกอีกคํานึงเขาเรียกโมโมูหจิตโมโมหจิตโมหะโมหจิตเนี่ยก็เาเรียกว่าหลงยกกําลังสองหลงอย่างยิ่งศัพต์นี้เป็นอติสยะด้วยนะเป็นหลงอย่า ง, งยิง่งหลงอย่างมากหลงอย่างเหลือเกินมันลังเลสงสยัย ไม่มั่นใจในพระพุทธเจ้าเอ๊ะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเนี่ยจบเลยนะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเดินได้เจ็ดก้าวเห็นไหมเนี่ยไ ม, ไม่เชื่ อ, อยังไงก็ไม่เชื่อเด็ดขาที่ว่ามนุษย์ธรรมดาเกิดคลอบมาแล้วเดินเจ็ดก้าวแล้วพูดได้ด้วย <c oughs> <c oughs> เนี <zh> ่ยไม่เชื่อเลยว่าแบบนั้นจบเลยงานเนี่ยนะแต่เชื่อไหมบุคคลเหล่านี้เวลาเขาไปเจอเด็กที่เป็นอัจฉรยะนะเด็กที่เป็นอัจฉรยเเกิดมาไม่นานแล้วพูดได้เป็นสิบสี่สิบภาษาแล้วมีความเป็นอัจฉรยอะไรเยอะแยะแล้วพวกนี้มันเชื่อไรแต่ทั้งท้เต็มมนุษธรรมดานยุคนี้เกิดขึ้นมาเชื่อด้วยไอน์สไตน์เาก็เชื่อ แล้วอีกคนอีกเยอะแยะเหมือนเขาเชื่อหมดนะแต่ยคเว้นไม่เชื่อว่าพระนเจ้าเดินเดินะนะก็เนี่ยเหตุผลบุคคลเหล่านี้พอไม่เชื่อแล้วไม่ยอมศึกษามีมีปัญหาเป็อย่างนี้พอมีทิฏฐิในตัวความเห็นใ น, นทัศนคติอัตลักษณ์ของตนเองไปปิดบล็อก มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวว่าตนเองจะเชื่ออย่างนี้จะเห็นอย่างนี้จะสมาทานมั่นคงในทัศนคติในทิฏฐินี้ตัวนี้ก็กอดความเห็นตนเองไว้ลักษณะตัวกอดความเห็นของตนเองไว้อย่างนี้ก็าจะเป็นความโง่ดักดานมากเลยนะตัวเนี้มันก็จะไม่สามารถรับฟังสิ่งอื่นรับฟังข้อมูลอื่น ตัวนี้แหละตัวบล็อกตัวเองว้อยเนี่ยมันปิดกั้นปัญญาไม่ยอมเปิดทิศีออกให้ปัญญาออกมาทําหน้าที่ให้เต็มที่ก็เลยกลายเป็นกอดความเห็นของตนเองอยู่ตลอดเวลาพวกนี้จมอยู่กับความเห็นไม่พัฒนาต่ออันนี้น่าเสียดายมากโอ้โหถ้าหากว่าไอ้ตา์มันคิดว่าโอ้เป็นไปไม่ได้หรอก ถ้าเขาบอกโลกนี้มันพระเจ้าสร้างก็นับถือพระเจ้าโลกนี้แก่กมันแคต้องเข้าใจอยู่แค่นั้นใช่ไหมมันไม่ยอมค้นความไม่ยอมศึกษาไม่ยอมวิจัยแยกแยะมันก็จะดักดานแต่ความความไม่ไม่ปิดล็อกความเห็นตัวเองพร้อมที่จะเปิดพร้อมที่จะศึกษาพร้อมจะวิจัยแยกแยะมันก็สามารถที่จะสามารถค้นเห็นความจริงของโลกเป็นต้นเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งนี่เป็นตน้นแล้วเราก็ได้รับากาประโยชน์จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่จะเรียนรู่องต่างๆอ่างนี้ สิ่งไม่รักษาแบบนี้เขาไม่ได้กอดความเห็นตัวเองไว้นะเขาพัฒนายี่เป็นต้นฉะนั้นในการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามองแค่ผลการเดินได้คือผลการพูดทาแรกจะเป็นผลการประกาศยืนยันที่บอกว่าเราเป็นผู้เลศิศเราเป็นผู้จเจริญที่สุดเราเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยอัคะเชิดถาแล้วก็เสดถาสองสามคำเ น, ออ น, นี่ยสำคัญที่สุดก็คือเป็นการบอกให้เห็นบอกว่าคนในยุค ก, ก่อนเขาถือว่าพรหมสูงสุด เทพเจ้าสูงสุดเทวดาสูงสุดแต่เป็นการปฏิวัติความเชื่อเลยนี่ยคาถาเนี่ยอาสิเทเนี่ยที่เป็นพระบรมศาจันพูดนี่เป็นปฏิวัติความเชื่อว่าแทนที่จะเอาคว า, ความเชื่อมั่นไปฝากไว้กับเทพเจ้าหรือเปลกับย้อนกันว่าเอาความเชื่อมั่นมาเชื่อไว้ที่ธรรมะใช่ไหมธรรมะสูงสุด คือท่านเชื่อ ว, ว่ามนุษย์เนี่ยเท่านบอกว่าฝึกจะเร่บอกว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเอ๊ฟพุทธภาษิตเนี่ยเป็นอคําว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นหลักความจริงพุทธภาษิตก้อนนี้ยอัตตาหิอัตโนนาโถ อ, อันนี้เป็นหลักปฏิบัติหรือหลักความจริง ใช่ว่าหลักปฏิบัติยกมือนี้ใช่ว่าหลักความจริงยกมือนี้พระที่ไม่ยกหมายถึงอะไรตนแพรเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติหรือหลักความจริงรัฐบาลเสียเป็นหลักหลักความจริงไม่ใช่หลักปฏิบัติโกยนาโพบโรยานคนอื่นให้เราจะเป็นที่ต้นเหตุจริงได้ไหม หลักปฏิบัติที่อยู่ตอนสองท่อนสุดท้ายเมื่อบุคคลมีตนฝึกดีแล้วไอ้ตรงนี้ยห็นไหมเมื่อบุคคลที่มีตนฝึกดีแล้วชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยากที่สุดคําว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยก็หมายความว่าจริงๆแล้วนี่เป็นหลักความจริงเป็นผลเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครจะสามารถช่วยเราได้จริงใช่ไหมเหมือนเอาหาร้อนให้เราได้แล้ว เคี่อาหารไม่ได้ข้าวบดอาหารนี่เราได้จริงแต่ที่สุดที่กินแม้แต่ย่อยอาหารนั้นเข้าสู่ร่างกายก็ต้องใช้ตัวกระแสชีวิตขึ้นมาแต่ที่จรินอับทับเนี่ยท่านหมายตัวผู้สตอนแรกเ็นทีเพื่อนตอนเนี่ยหายที่ตัวผู้สเมื่อบุคคลจากตนเองที่ไม่มีศีลฝึกตนเองให้มีศีลตนเองไม่มีสมาธิฝึกตนเองให้มีสมาธิตนเองไม่มีปัญญาฝึกตนเองให้มีปัญญา ตน เ, เองไม่มีศรัทธาคุณไม่มีศรัทธาไม่มีไม่มีความเพียรขุนไม่ Ensuite, มีความเพียรไม่มีสติขุนไม่มีสติไม่มีสมาธิขุนไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาคุนไม่มีปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาหรือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่ตนเองฝึกดีแล้วนี่แหละจะเป็นที่พึ่งที่หาได้ยากที่สุดเห็นไหมว่าเนี่ยลักษณะเนี้ยมันจะเข้าถึงท่านหรว่าเป็นที่พึ่งเองตัวเองได้ก็ถึงตอนต่อที่ตัวเองตนเองฝึกตัวเองได้ถึงที่สุดอย่างที่เป็นตอนพยองเห็นไหมครับ อย่างนั้นตรงนี้นะ่ะคําว่าเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้เจริญที่สุดเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดหมายความว่าท่านไปเชื่อมั่นที่สิ่มาธิปัญญาเชื่อมั่นในอริยภาพคแท่านจึงเอาบอกว่าเอาธรรมะนี่สูงสุดใช่ไหมในบรรดาธรรมะเนี่ยสิ่งที่สูงสุดที่สุดก็คือปัญญาปัญญตระลาสเพธรมาธรรมทั้งหลายมีปัญญาสูงสุดมีปัญญาเป็นยอดใช่ไหมในตัวปัญ ญ, ญ, ญาเนี่ประเสริฐที่สุด เพราะมนุษย์เนี่ยจะประเสริฐสูงสุดได้เพราะปัญญาจะบรรลุประสบความสําเร็จได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจเจพุทธเจ้าและสาวกะพุทธาเป็นต้นไ้เพรอาศัยปัญญายามี่หลยแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิเป็นฐานสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสีเป็นฐ า, า, านรองรับนี่เป็นต้นนั่นก็วา่าเป็นลำลำดับแต่ถ้าว่าสูงสุดคือปัญญายาี่เป็นต้นเพราะมองเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตรงนี้แหละที่บอกว่า จากการที่คนในยุคนั้นก็เชื่อมั่นพรหมท่านก็บอกว่าท่านจะเป็นผู้เลิศเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดด้วยการที่ท่านจะฝึกตัวเองจากมนุษย์ธรรมดาร์ที่เป็นสัมมาทิฏฐะท่านก็บอกว่าอาตมภาพนี้แหละและเราก็ดูการดาเนินชีวิตของท่านและที่สุดจริงท่านฝุกได้อีกอีกกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ท่านแรกที่ถือธรรมะสูงสุรรด อันนี้เป็นการปฏิวัติสังคมเลยนะีปฏิวัติความเชื่อปฏิวัติความเห็นของคนยุคนั้นเลยนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องถอดความให้ได้นะครับในาการศึกษาคําสอนของพระเจ้าเอาละแตนน่นี้พอจับประเด็นตรงนี้ได้แล้วนี่เวลาเท่าไหร่แล้วครับ น, นี่เวลาเท่าไหร่เราติดไว้สิบโมงครึ่น ถ้าเด็กเข้าเนื้อหาด่าถ้าหาว่าปัญญาไปสนใจก็เหนื่อยสถามได้ ตรง น, นี้เกี่ยวกันในเรื่องของการที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญพระบรารมีทั้งหลายเหล่าเนี้นะออยากจะให้ดูเส้นทางของการบําเพ็ญพระบรารมีในสัมภาลาวิบากนะครับในคัมภีร์เรื่องนี้ที่แปลว่ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงคําว่าสัมสัมถภาภารานเนี่ยมองอย่างนี้ว่าคนมองค น, คนมีคนที่มีศักยภาพถึงถ้าท่านปรารานาจะบรรลุ เป็นพระเจ้ า, าเท่านธรรมเนียบจะบรรลุถึงบ้านฐานี่ไม่ยากเลยคนที่มีสัมผภาพที่บ่เป็นบารมีมาอย่างแก่กล้าและอย่างอุตสินแล้วแต่คนประเภทเนี้ท่านจะมีลักษณะวันห น, นึ่งปัญญาสองกรุณานะครับคนบางคนที่มีปัญญาเด่นมากแต่กรุณาน้อยคนประเภทเจะขนฝายทําำนาดีคใจะกล่อมลูก ยังไม่เคยคิดถึงคนอ่นสักเท่าไรแต่บุคคลที่บงเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีสองบรณีก็คื อ, อว่าทําปัญญาการลปนาให้ได้สมถตาให้ได้สมดุลให้ได้บาลานซ์กันนอกจากที่มีปัญญาแล้วก็พัฒนาตัวกรลปาให้ขึ้นมาครบถ้วกเลฉะนั้นหลักการในสัมภาราวิบากเนี่ยเราจะมองเห็นเด่นอยู่สองสองสรรภาวธรรมนะครับสรรภาวธรรมตัวหนึ่งคือตัวปัญญา สภาวะธรรมตัวหนึ่งก็คือตัวกรุณาจึงสามารถใช้คําว่าสัมภาระวิบากได้ก็ถึงว่าถ้าใครปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าจะพัฒนาแค่ปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าพัฒนาปัญญาอย่างเดียวจะกลับกลายเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าทันทีเลยใช่ไหมก็คือตัดสิรูตนเองเบ็ดเด็จก็ไม่มีตัวกรุณาไปยึดโยกับมูุสว์ฉะนั้นคนที่ปรารถนาจะเป็นพทธเจ้าเนี่ยจะต้องขูบบารมี ผูกทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนี่ยธรรมปัญญาวิริยะคติสัจธรรมนิฐานเมตตาและเวทขาบา ร, รมีไว้ในต่นอกจากผูกบา ร, รมีสิบอุปบา ร, รมีสิบป ร, รมัตถบารมีสิบไว้ในตอนอย่างเหนียวแน่นอย่างมั่นคงแล้วแล้วก็ผูกสัตว์ไว้ในต่อนเยเพราะเอาบา ร, รมีเหล่านี้ไปเชื่อมโยงกับเหล่าสัตว์ทั้งหลายเพราะการจะบำเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยถ้าทานบา ร, รมีเนี่ยต้องมีสัตว์ให้เป็นบำเพ็ญใช่ไหม ต้องมีการให้มีการสละมีการแบ่งปันกับหมู่สัตว์ทั้งหลายโดยนี่เรื่องหน้าและก็ต้องเพิ่มปริมาณของตัวทานบา ร, รมีเนี่ยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นจะต้องผูกบา ร, รมีไว้ในตนไม่พอก็เชื่อมยึดโยงกับหมู่สัตว์ทั้งหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นศีลและบา ร, ร, รมีเนี่ยเมื่อทำศีลบา ร, รมีไว้ในตนเนี่ยก็เกจนาศีเกจศิษศีลสังวรศีลนวิติกามาศีลเบรรตเตอร์เหล่านี้ตัวศีลบา ร, รมีต้องไปยึดโยงกับหมู่สัตว์ไหมยึดโยงหรือไม่ ย, ยึดโยงครับ เช่งดเว้นจากการฆ่าเนี่ยมันก็ต้องยึดโยงกับว่าไม่เกลียดเว้นกระแสชิตัทั้งหลายไม่ทําลายกระแสชีวิตสัตว์ทั้งหลายและในขณะเดียวกันใจก็ต้องเป็นไปกับกรุณาและเมตตาในหมู่ประชาัตว์ทั้งหลายเป็นต้นด้วยเห็นไหมนอกจากเอาบารมีไว้ในตนก็ต้องไปยึดโยงกับหมู่สัตว์โดยทั่วสารกุลจักรวาลด้วยเนี่ยรักษณะเงี้ยงดเว้นจากการรักไม่คิดในการที่จะเอาทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองไม่พอ ยังมีจิตใจน้อมไม่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มากได้ทรัพย์็นผู้มากได้ซับแล้วก็มีทรัพย์ใช้สอนในแบบไม่ขาดแคลนในต้นด้วยในกรณีที่ไม่ไม่ประพฤติผิดในการมก็ยังน้อมไม่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขในในในในบุตรในภรรยางตัวเองด้วยอย่างนี้เป็นในกรณีการไม่พูดเท็จก็ยังยังพูดทาสัตว์ทาจริงอยูไ่ไหมไม่พูดสอนเสียไม่พูดทาอย่างไม่พูดเ ท, เทิรเจอ ก็จะพูดคาจริงคาที่เป็นประโยชน์พูดด้วยเมตตาพูดถูกกาพูดถูกเวลาในตนพูดคําสมรับสมานสามัคคีไม่พูดคาหยาดเห็นไมอะไรอย่างฉันหายต้องไปยึดโยมตําบูตรไม่เอาของมันเมาใส่ในกระแสชี้ตัวตนเองก็ฝึกสติสัพพัญญาในการที่จะเพื่อคู่ในสัตว์ตลอดนิวัติทางแง่ในตนเห็นไหมเน่ยตัวบารมีทุกบารมีต้องไปยึดโยงตําบูตรตลอดหนึ่งผูกบารมีไว้ในตนแล้วก็ผูกประชาสัตว์ไว้ในตนมนต้นเองเนี้ย ลักษณะการมาเป็นบามีนะั้นต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนแล้วก็บูรัาโดยไม่เลือกนาอย่างนี้การจะขับเคลื่อนกองทัพอย่างบามีเหล่านี้ให้หมุนไปในกระแสชีวิตก็เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยเพราะหนึ่งปัญญาต้องดีสองการุณาต้องถึงและต้องพัฒนาตัวปัญญาและการุณาให้ได้สมตาให้ได้ดุลยภาพให้ได้สมดุลกันถ้าเป็นกรุณาเด่นเป็นไงไปช่วยคนอื่นจนก า, นานรตนเองนยิงร ให้ปัญญาเด่นก็เลยรานเลยไม่เพื่อคุณอยู่เลยจ้นะนั้นปัญญ า, ญญากับกรุณาเนี่ยต้องสมถตาต้องได้ดุลยภาพตลอดในการบำเพ็ญบา ร, รมีทุกอัตภาพนี่มันยากคนเนี้ยใช่ไหครัความเห็นแต่ตัวเนี่ยคนเห็นแต่ตั ว, ว, ว, ตวบำเพ็ญบารมีไม่ได้นะไม่ได้เลยนั่นจะต้องต้องจัดกาลังของกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนี่ ย, ใ น, ยในคาถานะผมจะยกใน คาถาแรกนของทมพีสมพารวิบากเนี่ยในคาถาแรกของสมพารวิบากในเรื่องที่แตกไปนะครับนมัสมุสุขก า, ารสาเปนเจหล่านี้ที่บอกข้าพเจ้าเนี่ยพระคันธารตนาจารย์ผู้แต่งกำพีนี้ขอถวายไตรปนามนมำสกการแด่พรพุทธรัตน์นะคือเขาเ้จ้าวพรง์พระนามว่าพิพชิตมาน เพราะรานรอนเสียแล้วซึ่งเป็นจะพิษธรมานทั้งห้าก็หมายความว่าพระบรมศาสดาทรงขจัดขันธรมานขันธรรมานคืออะไรมารือบรญญาขังโรคประคั่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นมารไหมครับเป็นไม่เป็นเป็นมานเพราะขัดขวาง หมูสัตว์ทั้งหลายที่ยังต้องมีรูกขันห้าเคี้ยวกินอยู่ผู้รูปประขันเคี้ยวกินเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันเคี้ยวกินอยู่หมูสัตว์เหล่านี้ก็ไม่สามารถบรรลุคุณความดีบรรลุคุณที่สกิดเปนตนได้แล้วก็ต้องจมอยู่กับขันกับกิเลสและกองทุกอยู่ใช่ไหมรูประขันถ้ายังแบกรูปประขัน เป็นเป็นภาระอยู่ก็ไม่สามารถจะพ้นจากพอพอพอากิเลสเพราะคนที่นิพพานไปว่าเขามีขันห้าไหมครับเพอเพอถึงอนุ ป, ปาธาปนปณิธานแล้วขันห้าเขาดับกิเลส ก, ก็ดับฉะนั้นในด้านของขันขันทั้งหมดเหล่านี้ยมาขัดขวางบางคนเนี่ยจะประพฤติปฏิบัติจะเจริญกุศลคุณความดีทั้งหลายเหล่านี้ยถูกรูปขันขัดขวางก็มีเช่น ตาหูจมูกลิ้นกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่ในกระดูกใจหัวใจไม่สมประกอบขัดขวางไหมครับขัดขวางเวทนาขันขัดขวางมีไหมตัวสุขเวทนาติดสุขเวทนาไม่สามารถเดินศีลสมาธิปัญญาได้เจอทุกเวทนาขัดขวางก็มีเจออุเบกขาเวทนาเนี่ยเออเรื่อยๆเฉยๆนียขัดขวางก็มีเจอสัญญาขันขัดขวางก็มีเช่นจะเจริญกุศลก็ไปจําแต่เรื่องที่ไม่ดีอะ อกุศลสัญญาหมุนอยู่ในใจปรุงแต่งใจทําให้จมอยู่กับความทุกข์บางคนไปทําผิดพลาดมาสักครั้งหนึ่งก็จมอยู่อย่างนั้นแหละหรือบางคนไปได้ความสมหวังครั้งหนึ่งก็จมอยู่ในความสมหวังไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้ต่อได้เห็นไหมตัวขันมันก็ยังเป็นตัวขัดขวางความดีนะสังขารขันก็ปรุงแต่งเป็นคนเป็นนักปรุงแต่งบาปเขาเห็นไหมครับคนบางคนเนี่ยปรุงแต่งปรุงแต่งทุกข์ได้ง่ายมาก ชอบเอาทุกของธรรมชาติมาใส่ไว้ในใจคนเช่นเดกติ่บบยยงในถ้ำนอนไม่หลับโยนโยงนอนไม่หลับนะเนะเป็นปีน้บาดาหน้าเครียดจนไม่แถวเป็นเงเป็นเจ็ดแปวันใส่บาปไปก็ปวนยังไงใส่บาปไปก็ปวดเขาเป็นปีน้บากันพอได้เห็นเด็กพวกวันนั้นนะ่ะเขาดีใจกันทั้งตลาดเลยที ดีใช่กรณีแบบนี้แทนที่จะขวนขวามเจออะไรเจอสังขารขักฐานการปรุงแต่งขัดขวางบางคนก็เจอวิญญาณหักฐานการเห็นการได้ยิน้ห่างๆอยากจะเห็นอยากได้ยินขวางอยู่นั่นส่วนกิเลสไม่ต้องพูดถึงเราครัตสาโมห์มานะทิถิวิจิกิช้าอีนี้การโนตปะอุทจักก็เป็นมานเป็นกิเลสอย่างเนี้ยกุมรุงในจิตใจไม่สามารถคิดว่าอะไรยากอะไรนี้ผม่ตโดนได้แล้วก็มานก็คือความตาย ถูกความตายมาแผดเผาไม่สามารถจะพ้นจากกองทุกข์เป็นต้นได้และอภิสังขารมานก็คือมารคือเจตนากรรมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่นำสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นเนี่ยเป็นอภิสังขารมานส่วนเทวปุตมาะก็วัสดีมารเป็นต้นที่มาสร้างรัพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตัดสั้นใช่ไหมยบพลเสนามารสรุปแล้วก็คือว่าเวลา ศึกษาพุทธประวัติตรงเนี้ยบางคนก็สุดตรงบอกว่ามารเนี่ยเอาเฉพาะกิเลสแท้จริงมามีห้าใช่ไมก็เลยหยอกัล่นบรรยากาศในบทห้านี่มีทั้งขันธมารมัดอุมามเนีปรมานอภิสฐานละมา ร, มา ก, ร, ดดมารกิเลสมารบางคนก็เอาเป็นกิเลสมารไปเลยว่างั้นเถอะสุดตรงไปด้านกิเลสมารปฏิเสธขันธมารคือขันห้าเฉนี่ ปฏิเสธอภิสังขารละมานก็เจตนากรรมที่จะนำเกิดบางคนเนี่ยทกรรมนะครับทากายสุจริตวิญสุจริตพโนสุจริตเนี่ยก็เกิดสุปิก็ม่คนจะกินไกไรองพเพราะไม่สามารถเจริญมัชิมาปรินิาทํา้ายจิ่รก็ไ้อพกเป็นธดาบางคนก็เจริญกายจริวิีญาสุจพิตพโนสุจริตติเยพรยาเจ้าเพิ่มหน้าตตาระกาแส่พรองอบายทุกิที่บัลักมันก็วนอยู่อย่างเี้ยอเจตนากรรมแบบเนี้ยถ้าเรียกอภิสังขารมานใช่ครับ ส่วนกิเลสสานก็คือราคาโท ต, ตามหามานั้นที่จิวิจิตร์ใช้อยู่ในาการเล่าตกลงเาจกอันนี้ก็คุมลงขัดขวางทาให้สัตว์นั้นไม่เข้าถึงความดีไม่เข้าถึงมรรคผลจนจะแม่ขันตมานมัจจุมานกิเลสสานอาิสถงขารมานขัดขวางอีอย่างหึ่งก็คเทวุตมาน้ำว่าเทวุตมานี่คือกลุ่มเท ว, วดาทั้งหลายกลุ่มเทพเทวดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งสมุทิตเทพและอุปติเทพ เทวดาโดยสมมติว่าขัดขวางได้ขัดขวางการที่ไม่ใสัตว์ลุคุณความดีได้แล้วุประเทศเทวดาโดยจีนดเลยนะเทวดานั้นจะมหาราทธิการดาวิษสายามาลุตาีมาลบริณีมินวัดดีเปนต้เทวดาในพวกฟูกต่างแบบนี้ก็สามารถจะมาขัดขวางได้ทั้งหลายวิธีมาขัดขวางทำให้สัตว์นั้นจมอยู่ก็ จองอยู่ไม่ได้มาขัดขวางให้รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าไม่นต้นฤาษีสาวพระพุทธเจ้าฉะนั้นเรามีมานทั้งห้าขัดขวางอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเท่านั้นเองสิ่งต่างๆตรง น, นี้แหละท่านจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรานรลอนก็คือหักรานเบญจพิธรมาทนทั้งห้าขันธรมานกิเลสม า, าลมาจุบันเทวบุรรมแนะวิสาชชารมีพระพราโบนันท์ไทย อันพัชโรนาตักเตือนด้วยดีแล้วอุดมด้วยอดุญญรังศรีประทีบแก้วกล่าวคือพระยานปีชาแจ่มจัดขจัดความมืดก็คือโมหันอันตการเนี่ยก็คือโมหะคือความมืดบอกองค์สมเด็จพระพิคิตมาเจ้านั้นเป็นสร พ, พสัตสุราสุระเทียบมีเป็นอาชีพทวงที่อยู่โลกทธาตุบอกว่าหากมาประชมสารเวสวนซึ่ง อุตามะวิเศสตารบูชาแล้วพระองค์ดารงพระ น, นามพระศรีสุคตทศพรยาความว่าพระปรมาสาดาบรรดาหมู่ประช า, าสัตว์ทั้งหลายหมู่ประชาสัตว์ทั้งนี้เทวดาคนทั้งหลา ย, าามมลายพากันงอบน้อมทากันเขาก็นกากันบูชาอย่างถูงสุดถ้ารอนข้าพเจ้าขอนอบน้อมอภิวาสพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็โรกุตตระธรรม ที่จริงสั์นี้ท่านใช้คำว่านบโรกุตระธรรมกับทั้งพระปริยติธรรมนบตัวเนี้นหนูพพอพานมาจากคําว่านวะก็ได้นพก็ได้ก็คือเกมร์ศีผลศีนิพานหนึ่งเป็นเก้าใช่ไหมและพระปริยติธรรมอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นสิบอันนี้เขาเรียกว่าพระธรรมเวลาเราไหว้พระธรรมนะครับสวาขาโตภควตาธรรมโมธรร ม, มังนมะสมิชพระเจ้านมะสาการพระธรรม หรือกระดาษเขาทรเขาก็ทตอนนั้นใจเราคิดถึงอะไรใจคิดถึงอะไรคิดถึงมัดสี่ไหมโสดาปฏิมัดสกัดาตมีมัดอนาธามอนารธาตมคิดถึงผลสี่ไหมโสดาปฏิผลสกัดธาตมีผลอนามธาตมีผลอนารผลคิดถึงปฏิพานหนึ่งไหมคืออนิทานเป็เก้าแล้วใช่ไหมแล้วกับพรวิญญาจดอกพรสุตตันจะมีดอกพระมีนามมีดอก มยดโเน่ยสองหมื่นหนึันเขาทรพสูตันนดองมื่นนึพันเขาทำบัตรายมยดโญสี่มื่นสันการำบตรแมื่นสี่พันาทรนี่คือพระปรียติธรรมนึกอย่างนี้ครับเวลาไหวสว่างตาต่อเขาว่าดาโมนึกคิดอย่างนี้หมถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ถึงพระธรรมถ้าคิดอย่างนี้ถึงจะถึงนะครับนั้นคำว่าพระธรรมในที่นี้หมายถึงมรซีผลซีนิพานหนึ่งแล้วก็พระปริยติธรรมอีกหนึ่งรวมรวมเป็นพัสทธรรมสิประการนะครับ อทีนี้นนเวลาไหวพระพุทธเจ้าแล้วคิดถึงอะไรไหวพระพุทเจ้าคิดถึงอะไรเราคิยยดย่อได้ไหมพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณคิดอย่างนี้ได้ไหมคําว่าพระปัญญาคุณนั้นหมายความว่า พระองค์มีพระสัพพัญญตาญาณมีพระปัญญายานสามารถขาจัด ก, กิเลสและกองทุกข์ให้หมดสิ้นจากกรรมวิรสันดานได้พระบริสุทธิ์ที่คุณก็หมายความพระกระแสขันธ์ธาตุอเยตนากระแสจิตหลวงพ่อองค์บริสุทธิ์หมดจากกิเลสในะกองทุกข์พระมหากรุณาธิคุณก็พิจารณาถึงพระคุณยิ่งพระองค์ทรงจบข้บเพลีงธรรมะปลุกให้หมูส่สัตว์และเรานั้นให้ตื่นจากความหลับไหลด้วยนั่นคือกิเลสพระองค์มีพระมาหากรุณาธิคุณยิ่งเหลือเกินที่ทรงเลา่าเรื่องราวพระจริยาวัฒ ธรรมะธัรมะหลักการข้อความปฏิบัติเป็นหลักการทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตในวัฏจกรได้ตลอดชบงได้ในพระมหารโนธที่กูมีที่ใหญ่ที่สุันที่นี้นึกถึงพระย้าถึงพระคุณสามประการนี้แล้วก็กราบลงไปเงี้ยครับนึกนึกอย่างนี้ไหมครับนั้นต่อไปก็ให้คิดแบบนี้นะครับใช่ไหมคิดว่าอารหังสมมาสมุทโภพวพุทธังระวันตังพิวาเจนีพระยาเป็นพระรหันต์ไแปลงเนี้ย ดำเพิ่งกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชสงจัตรูชอบได้เดี๋ยวเขาบอกเองเชื่อไหมเชื่อไหมพระเจ้าเนีไยกิเลสเสือราฆ่าโทสามโะบานฆ่าทิิมิจิปิายมิจิการโนตเบาเสจานเนี่ยหมดแล้วแล้วจากกระบวนการสันดานของพุทธเจ้าคิดอย่างนี้ไหมเพิ่งกิเลสเพิงทุกข์ทั้งหลายหมดสิ้นแล้วเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมข้าพเจ้าอภิวาทคานั้นแปลว่าอะไรพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บันอภิวาสก็หมายความว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะฝึกตนเอง ให้ตัศรุอริยสัตวสีตามพระพุทธเจ้าให้ได้พวกรู้อะเตินเตินในที่นั้นคือเตินจากความหลับไหลได้หน้าของกิเลสคือราคาโทสาโมหะให้ได้แล้วก็เบิดบาสก็คือเป็นอิสระเสรีภาพเป็นองค์พิสานต์หมดจดอย่างพระพุทธเจ้าแ ล, นะแล้วเียงะะเวลาจะก่าบแตละครั้งคิดออกไหมถ้รักกราบลไป น, น่งกราบถูกพระพุทธเจ้าจริง เ, เลยใช่ไหจริงๆพวกเราน่ยจะไปสอนญาติโยมอย่างนี้บ้างนะ อาระหังสัมมาสัมพุธทธพระวาพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระรหัจกกับเพลิี่เด็ดเพลินทสิ้นเชิแลาา้วคือราคาัสาวผหามันนาหมดนะขีก็กกนพนทุกัแล้วข้ายาพวาาพวาอภิวาสับนั้นแปลว่าข้าพเจ้าก็จะฝึกตนเองให้ตัสรู้เลียสัสี่ใสรูรยสัีเป็นผู้รู้อ่ะตัสรู้อลียสัสีตามพุทธเจ้า เป็ผู้เตือนจากราค่าโสารมโหหะไม่หลับไหลต่อไปแล้วเป็ร่างทียเกลียดแล้วเป็นผู้เบิกบานเป็นอิสระเสรีภาพกลางก็สามาถุจ า, ารย์ได้แล้วกับนาถูกไหมนี่ใหญ่แล้วนะหลักถูกแล้วแต่นี้นะกลางถูกพุทธิจารแล้วนะถ้าทำเห็น ไ, ไหมมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งปริยสัมพัธ์หนึ่งสรุปลงคือศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นความงามในเบื้องต้นสมาธิเป็นความงามในทถ้ำกลางปัญญาเป็นความงา ม, มันสูงสุด พระพุทธเจ้าก็จะฝึกต น, นเองให้เข้าถึงความงามในเบื้องต้นคือศีลความงามใน่ามกลางคือสมาธิความงา ม, มันสูงสุดคือปัญป ญ, ญาตามพระธรร ม, <า>มนั้นให้ได้ก็กราบลงไปอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมครับอ่าตอนนี้สุปฏิบโนโนัติโอพระพุทโอสาวกโอสังฆนันพระสงสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีก็มหมายก็ว่าพระโสดาบันพระสกาทาคาพระนาคาพระอรหัน์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี คือปฏิบัติตามสีสมาธิปัญญาปฏิบัติตรงไปเรื่อแล้วถ้าปัญญา้ก็จะฝึกตนเองออกจากปุถุชนคนมืดบอดเข้าสู่ความเป็นอริยสงฆ์เป็นร่วมกันกับอริยสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้ได้แล้วก็กราบลงไปทั้งนี้ชัดไหมถ้ากราบงี้ก็ชัดใช่ไหมล่ะ เนี่ยเรากราบพากันบนันทีก็ต้องไปตั้งหลักใหม่จริงๆนะเวลาจะกราบเนี่ยเวลาจะนองน้องไปเจ้าทั่านมันก็เป็นได้แค่วิธีการมันก็เป็นแค่รูปแบบใช่ไหมลนะ่ะไอที่กราบจริงๆก็เลยไม่ได้กราบตรงๆมือมันไม่ถึงใจเขจะเรียกว่ามไม่ถึงใ จ, จกราบมันไม่ทะรุทะลวงถึงใจเลยเนะนี่ยมันคาถาเลยอ่ะ ถ้าใครท่องได้ก็ดีนะคนำนมัตนามัตสุสุขตัสสะตาลุญญิสันโจอทิตามานะสังตังปัญญาปฏิปังวิหะตังชาการังสุราตุระทยาตระมาทิตตพังนธ์ามาิจินังสุปตัะภิญุกันอวันตการังตระมาวารธัรมังหั ง, าางพีระพุทธ พัทธสีตักอานตุราวโพธันอตตกาวิจารัวันเทตุนันปันตะเวทันเลยยัย ง, ง, ง, ง, งิเนี่ยอันนี้ก็ทุกทีี่พิจารณาไปข้าพเจ้าขอนอกน้อมนั่นเองเนะแต่ศัพท์โบราณท่านจะใช้คำว่าโอนอุดมเกตอภิวาตทั้งลบลงอุจลธรรม ท, ทั้งปรญายทธธรรมอันสก็คือมัดสี่สี่ที่ทนนา น, นททหนึ่งขระเยซูธรรมหนึ่ง สามารถจะกระทำที่สุขและหลีกหลบล่วมสรรพสิ่งอันลึกซึ้งสุดปัญญาสามัญสัตว์จะเห็นได้โดยยากและแพร่หลายด้วยความประนีตสุขุมโดยการจะตัดสู้ยากและหากไม่ประพฤติเป็นไปในี่ตกสามมีการตกเป็นต้นย่อมสอผลภัยบณ์ท่วนควรที่บัณฑิตชนผู้สนใจจะพึงรู้แจ้งด้วยธรรมดาหมายความว่าบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ โดยมากเนี่ยเราใช้วิตกสามเป็นทางดําเนินชีวิต1กามวิตกตรึกคิดในเรื่องกาม2พยาบาทวิตกคิดในเรื่องพยาบาทเบียดเบียน3ามวิหิงสาวิตกก็คิดจะเบียดเบียนคิดจะทําลายตัวอื่นตลอดโมเสต์ทั้งหลายที่ใช้วิตกอาุณสต ว, วิตกเป็นเครื่องดําเนินจิตเหล่านี้เขาเรียกมิจฉาสังกปะไอตัวมิจฉาสังกปะที่เหมือกับก า, สารสั่งเหล่านี้ก็เลยเป็นปัจจัยเกิดวิา<อ>พาทข้ ทั้งความเห็นผิดทั้งความด âm บลีผิดเนี่ยหมุนอยู่ในใจสัตว์ทั้งหลายก็เป็นตัวผลักดันให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยเปล่งวาจาที่ผิดออกมาใช่ไหมก็คือพูดเท็สอเสียดคําหยาบเลื่อเมื่อเปล่งวาจ า, าผิดออกมาก็เป็นปัจจัยต่อการกระทําผิดก็คือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมการดาเนินในการเลี้ยงชีพก็เป็นวิชาชัวเพียรก็เป็นวิชาวยายามะเรื่อ ง, งก็เป็นวิชาสติตั้งมั่นก็เป็นวิชาสมาธิมองเห็นั้ม บรรดาป่าอปสนนักธรรทั้งหลายชั่วร้ายเมื่อมิจฉาสมาธิตั้งมันแล้วตอวมิจฉาทจิตกบุญมาดวงจอนน้อมกระแสชื่อสัตงหายอีกก็เป็นมิจฉาสัมภามิจฉาวาจามิจฉารรนามิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสมาธิบรรดาหมู่สัว์ทั้งหลายที่มากด้วยอุสนที่ตกเหล่านี้ไม่สามารถจะพ้นจากเหตุและกองกข์ตอนสมัยที่พระบริสัทเกิดเป็นพระาหมาสุภาษนะ ตอนที่ท่านไปอยู่ที่กุสินาราสมัยนั้นเป็นมุสาวดีในยุคนั้นท่านเป็นพระโพนิษัตมาปเป็นบาลีก็จะไปดีใช่ท่านก็ครองเมืองครองราชอยู่แปมืนปีแล้วต่อมาเนี่ยด้วยกำลังญาสัญญาที่สั่งสมมาดีท่านก็เดินขึ้นสู่ธรรมประสาทก่อนที่ท่านจะก้าวสู่ประตูท่านก็บอกว่ากามวิตกเอ๋ย อย่าตามเรามาแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอย่าได้หมุนเข้าสู่กระแสชีวิตของข้าพเจ้าของเราอีกเราจะขอหยุดการคิดที่เป็นบาปอคติรักรรมชั่วร้ายนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปท่านก็ก้าวข้ามธรณีประตูไปแล้วก็ท่าถาเนี้ยท่านพูดถึงในเรื่องของว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อม น, อ ม, นมัสการประนมมือแด่พระริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายเป็นต้นเหล่าเนี้ผู้อุดมด้วยอนเนกเป็นเนื้อนาบุญอันกเกษตรวิสิทธต วิสัยของพุทธศาสนิกบริษัทและเป็นผู้ซื่อตรงดำรงอินทรีย์สังวรเป็นอันดีด้วยสัพภกิเรลาสีคือมานาทิฏฐิอันนั้นเน่ยเป็นผู้บริบูรณ์บริบูรณ์อย่างดีแล้วเป็นผู้ไม่มีตัณหามานาทิฏฐิเป็นเครื่องกุ้มรุมอีกต่อไปแล้วพระคันธารัตนรันะรรราชนาจารย์เป็นตัเหล่านี้หลักการอย่างนี้นะครับในกรณีาการตันอยู่ในคุณของพระเจ้า จับอยู่ในคุณของพระเจ้าตรึงคุณของพระเจ้าอยู่ไมห่หลุดไปจากใจสมาธิก็แนบชิดใจของท่านคุณนั้นก็สว่างรุ่งโรดไปด้วยคุณของพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเวทนาขันก็มีสุขเวทนาเป็นต้นเหล่านี้สเสวยคุณของพระเจ้าอย่างมั่นคงไม่ว่าจะสัญญาขันก็ความจําได้หมายรู้ก็จําคุณของพระเจ้าได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง ไม่ว่าจะสังขารและขันการปรุงแต่งก็คือสติก็ระ ล, ลึกการอาขันคือมโ น, โนคือใจในขณะนั้นนะ่ะก็มีการรู้แจ้งในคุณของพระุทธเจ้าอย่างแข็งแรงและอย่างมั่นคงดังพระบรมสารีริกธาตุนะครับเหมือนตอนนั้นเหมือนพระบรมสารีริกธาตุส่วนรูปขันนะครับมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหานใหม่มาเก่าวไปตั ว, วเห่านี้นะกระแสชีวิตกระแสของรูปขั น, เ ห, น JD, เหมือนกับเจดีเหมือนกันเนี่ยเหมือนพระเจดีตั้งต่างงานอย่างเงี้ยครับ ฉะนั้นใจของท่านผู้ใดที่เป็นนามะขันศีระลึกถึงคุณของพระเจ้าใจของท่านผู้นั้นเหมือนพระบรมสารีริกธาตุส่วนรูปประคันตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกของท่านผู้นั้นทั้งหมดที่เป็นรูปธรรม ท, ทั้งหมดเหมือนพระเจดียทองนะครับที่ห่อหุ้มองค์พระบรมสารีริกธาตุอยู่แม้ชั้นใดท่านผู้ใดกราบไหว้ระลึกถึงเคารพท่านที่กําลังคิดถึงคุณของพระเจ้าอยู่ ไม่ต่างอะไรกับการไหว้พระเจดียไหว้พระร่มสาลรีฤกษ์ธาตุมีมีคุณอย่างมากมายและถ้าใครไปตําหนีนะครับตําหนีท่านที่กําลังระลึกถึงคุณของพระเจ้าอยู่ซึ่งประดุดดังว่าทั้งใจของท่านผู้นั้นก็เห็นแจ้งในคุณของพระเจ้าศรัทธาก็เชื่อมั่นในคุณของพระเจ้าสติสมาธิก็แนบชิดติดกับคุณของพระเจ้าปัญญาก็รู้แจ้งในคุณของพระเจ้าเห็นยังจิตแต่ชื้อโรคไปแผ่ซึมซาบไปทั่วกรรชายทั้งหมดเหมือนพระเจดีองค์ทององค์ยูชาว บุญก็จะเกิดกับท่านพวกนั้นอย่างมากนั้นท่านทั้งหลายเวลาร ะ, ะลึกถึงคุณของพระเจ้าระลึกแล้วเนี่ยให้ระลึกได้อย่างต่อเนื่องให้ยาวท่านเนี่ยเมื่อมองไปที่พระบรมสารีริกธาตุก็ดีมองไปที่ระลึกไปที่คุณของพระเจ้าหรือมีคุณของพระองค์นี้นะครับในขณะที่กําลังฟังคุณของพระเจ้ากําลังพละนาว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตนุออนั้นพระเจ้าพระองค์นั้นพระเจ้าเป็นพระอาหารคุณของพระเจ้าใจของเราก็ระลึกอยู่แล้วก็ในขณะที่ใจระลึกสตินั่นเองจับ แล้วก็ระลึกตามจับนั้นไม่ให้คุณของพระเจ้านั้นหลุดไปจากความรู้สึกนะครับนี่เขาเรียกจับและตรึงไว้ตรึงคุณของพระเจ้าวไว้ตรึงก็คือระลึกบ่อยๆนั่นแหละเขาเรียกตรึงและจับไว้ตอนนั้นความเพียรก็ประคองประคองใจให้อยู่ประคองสติให้อยู่กับคุณของพระเจ้าสมาธิก็แนบชิดติดกับคุณของพระเจ้าวความเชื่อมั่นในคุณพระเจ้าก็จะเพิ่มขึ้นปัญญาก็แทงตลอดว่าพระเจ้ามีพระ ปัญญาคุณอย่างไรมีพระมหาไมพระบริสุทธิ์ที่คุณบริสุทธิ์หมดจจากกิเลสอย่างไรมีพระมหากรุณาที่คุณแก่ไรที่ระลึกถึงคุณของพระเจ้าอยู่ในขนาดนั้นท่านยอดมาเหมือนกับพระบรมสารีริกธาตุแต่ถ้าหลุดไปเมื่อไรพระบรมสารีริกธาตุก็หายไปจากใจนะอย่างนั้นเป็นต้นแต่ถ้าระลึกอยู่อย่างติดต่อและต่อเนื่องตราบใด น, น, นั่นแหละเขาเรียกว่ามีคุณของพระเจ้าบาปไม่ให้ผลนะครับบาปกษัริยกรรมมันชั่วร้า ย, ายทั้งหลายที่จะมาให้ผล จะเกณฑพุทธบา ร, รมีทันทีสังเกตดูไหมเวลาเมีคนไปเฝ้าพระเจ้าทั้งๆเป็นคนบาปอย่างมากคนบางคนอย่างพระเทวทัตหรือว่าใครก็แล้วแต่พระเจ้าอากุศลบาปประกรรมทั้งหลายไม่สามารถให้ผลได้ยกเว้นท่านผู้นั้นจะเดินออกเดินออกจากรัศมีถ้าล่วงสายพระเนตรของพระธเจ้ามา่อไรแผ่นดินจะดูดลงไปทันทีเห็นสังเกตดูไหม ถ้าตราบใดอย่างนางมันลิกอนางจินยามานวิกาไปด่าพระเจ้านั้นด่ายัางไงบาปตอนนั้นเนะี่ยจะไม่ให้ผลแต่อย่าวิ่งเลยออกมานะถ้าวิ่งเลยออกมานอกประตู ว, วัดพอพ้นจากสายพระเนตรของพระเจ้าแผ่นดินก็จะแยกออกจากกันแล้วก็จะดูดลงไปทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นทั้งหลายถ้าระลึกถึงคุณของพระเจ้านะครับถ้าสามารถระลึกได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องบาปทั้งหลายก็ไม่กลา้ากระแสชีวิตของ มีมนุษย์เขาทําได้นะไม่ใช่ไปทําไม่ได้อย่าไปคิดว่าทําไม่ได้เพราะคนที่เขาทําได้เขาบรรลุกันหมดแล้วนั้นคนที่ทําไม่ได้เนี่ยไม่มีโอกาสทีมั้ยถ้าเราระลึกเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นปุ ก, กุสาติเป็นพระเจ้าแ่นพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วท่านเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็คิดถึงว่าห้ามเปิดแผ่นทองคําเนี่ย ในที่ที่ไม่ไม่สมควรข้อความว่าอีธทาตถ า, าคโตโลกเกปันโนพาตถ า, าคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกติปัสธิสุขสมาธิก็แลกดเลกในกระจายของท่านพระเจ้าเป็นพระาารทานทานชานที่สองได้ตาเดียชาชานสารได้เจตุทะชาชานสี่ยังลมหายใจเข้าออกให้สงบระงับดาหนี่ได้เจตุทะชาเลยแล้วท่านก็อยู่กับชาสมาบัติอย่างนั้นนะเจ็ดวันดูสิเนี่ยนี่ปุถุชนนะเออเรื่องป ตัดผมคุณตนเองก็โยนลงมาข้างล่างแล้วก็เอาชุดนักบวชใส่มาหากษตร์อยู่ไหมบอกว่าประชาชนยังเห็นอยู่พระเจ้าค้างั้นท่านก็เอามีดเห็นเราเป็นพระราชามาหากษัตริย์อยู่นี่เป็นอานัตนี่เป็นคําสั่งห้ามใครก้าวข้ามที่ขีดไว้ตรงนี้ถ้าใครข้ามมาก็จงตัดศีรษะโอ้โหประชาชนยอมขึ้นเวียนเพราะเคารพในพระเจ้า ไม่สสยรองเท้าเพราะตรบลุกยังเดินจากทักศิลานิยมนั้นก็คืออัปการิฐานไปไหนไปสาวิตรี90ตุรกี90ตุรกีตลางคืนก็พักเท้าประแตอให้กนลังเข้าสมาบัติกาคืกลางวันก็เลยเปตาเปลี่ยกินข้าวเปล่าเปลี่ยนที่าบ้านเดินใน ไปถึงสาวรตถีสําคัญว่าพระริจ้าอยู่ที่ใดก็เดินจากสาวสถีไปที่ท่าเดรือจนเมื่ดค่ําแล้วถามเขาก็พระริจ้าอยู่สาวรัตถีก็คิดในใจว่าเมื่อวานคู่นี้จะเดินกับพเพราะพระริจ้าเห็นเห็นอะไรเห็นศรัท ธ, ธาในท่านเห็นศรัทธาในท่านปุติสาติตอนที่พระเจ้าเสด็จลงพรม ในวันหนึวันวินจารปัตติในใจบอกว่าคุณระบบนี้ถ้าเราไม่เปโกรธจะตายอยู่นาดจะตายอย่างคนที่ญาณที่พึ่งมาฟังดีนะคนได้สมาบัตสีแล้วได้เป็นเจตายแล้วพระบรมศาสดาบอกว่าถ้าเราไม่เป็นโรกร ค, คุ่นระบบนี้จะตายอย่างคนวิญญาณ มพระองค์ก็ดำเนินได้พระบาทปล่า <c oughs> ไม่บอกใครแล้วก็เสด็จดำเนินสี่สิบห้าโยชนครับเนี่ยเพราอจะไปโปรดท่านพวกนี้ที่พระหมหาธูรณนาที่ น, นีุยดำเนินทั้งวันจนมาเมื่อข้าเนี่ยมาถึง <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยองคุสาตีอยู่ในตะคอกร้าน มีหญ้ามีอะไรเป็นที่ปูนั่งท่านเดินโยมองแล้วนั่งทำไมตอนพระเจ้ามาเนี่ยมืดแล้วไม่รู้จักว่าท่านวนนี้เป็นพุทธเจ้าพระเจ้าถามบอกว่าเราขอพักได้ไหมก็เลยทั้งสองท่านเนี่ยก็เลยนั่งเข้าสมาบัตรพุทธิย่าเข้าปราสมาบัตรแต่ปู่กุสานติเข้าฌาสมาบัที่ตัวเด่นนะเข้าสมาบัตรอยู่ทั้งคืนจนใกล้รุ่งพระเจ้าจึงแสดงธรรม แล้วก็ไม่บอกด้วยตนเองเป็นพทธเจ้านะเมื่อแสดงคำแสดงเรื่องท่าแสดงเรื่องรูปธรรมได้นามะคำยศปุกปาตีทีส่งใจมีตามพระธรรมเทศนานนสุดทั้งตลอดเป็นพระโสดาบันธรรดาได้ปรรลุเป็นพระนางคาอยือแม้แต่สามารถและสว่างกอกท่านก็ขอบวชเพรรู้เป็นพระเจ้าท่านก็ขอขมาแล้วก็ขอบวชพรเจ้าบอกว่าดูก่อนปุกปศร เราจะไม่บวชแก่คนที่ไม่มีอัถบริการพเจ้าพระเครับทีนี้พวกศลติโตวิ่งรีบหาวิ่งก็จะหาอารบริการไปเช้าไปเจอแมววัวลมันวิ่งบวิดคเต็นที่นะตัวก็รอ่เนอากาศใจขาดตายนอากาศแต่คนเป็นผ้านาคามี่อตายปุ๊บ ได้ชาญสมาบัติไปที่ไหนไปอยู่ในสุทาวาสทันทีเพราะอุบัติเกิดขึ้นในสุทาวาสปุ๊บตนเองระลึกชาติได้เดินวิปั ส, สนาญาณต่อได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ทันทีเข้าใจยังแต่ร่าง้อยตกมาปุ๊บเป็นกองขยะตายพระเจ้าแผ่นดินเห็นทราบข่าวพระพุทธเจ้ามารีบไปเฝ้าถามว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาอะไรไม่บอกพระพุทธเจ้าบอกว่ามาปลดเพื่อนของท่านเนี่ยปุกสาติ ที่สารรู้ข่าวงั้นก็ให้ทหารวิ่งหาไปเห็นนอนตายอยู่กองขยะ ก, ก็นําเรื่องนั้นกลา่าวโทษพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้จัดการรถสออย่างดีอย่างอย่างเหมือนกันับเพราะ ท, ท่านเป็นพระหลานจ า, า, ากเป็นพระนาคาเมี่ยฟบและเป็นเป็นอาหลานเลยเขาก็นั้นก็เก็บอัฐิท่านไปนี้ไว้ที่บนี่เชี่ยเห็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับ ถ้าเรามีศรัทธาเท่ากับปุกุสาติถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงว่าชื่อะเจ้ายังทรงสอนอย่าแปลกว่าที่อ่านมาเนี่ยศรัทธาของเราเนาะเราจรง ไ, ไม่ได้รับสถานานะก็ได้อย่างถ้าเรามีศรัทธาเท่ากับปุกุสาติไป น, นี้เราเราก็เป็นนที่ดีเนี่ยลักษณะอย่างนี้วา่าเรียกเป็นคนได้ที่พึ้น คำว่าที่พึ่งในศาสนาคือต้องบรรลุปเป็นพระโสดาบันนี่ก็เาเรียกว่าได้ที่พึ่งถ้าใครยังเป็นปุถุชนอยู่เขาเรียกว่าจะตาอยานนะตาอย่างคนอนาถาตายอย่างคนไรที่พึ่งนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราปรารถนาอยากจะได้ที่พึ่งในศาสนาก็ต้องพันแล้วฝึกตนเองให้บรรลุปเป็นพระโสด า, าบันนะครับที่หลักการนีออ้ฉะ <c oughs> นั้นพระภูดีเจ้าพระองค์ใดทรงสละทรัพย์สละบุตรชายาายาอวัยวะและชีวิต เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วบำเพ็ญบา ร, รมี30ทัศนทั้งบารมี10อุปปารมีส0และประมัตถบา ร, รมีสิครบถ้วนและโพี่ปักคียธรรมอันหาข้อเปรียบเทียบนีไ้ได้ให้บริบูรณ์อันเดียวกันนี่แหละก็คือสตรีประธานสมาทานอทธิบาทอิทปัานุากรมะโคตรจงเบญมัสส่งบรรลุโพธิญาณอันบริสุทธิ์ที่ให้พระคุณทั้งสิ้นฉะนั้นคนที่บรรลุเป็นพระเจ้าเนี่ยจะเป็นที่ประชมพุทธคุณ ไม่ว่าจะเป็นทั้งสัพยุตย า, น, น, านานาวรณัญาณอินทเริยปโรปริยัติยานมหากรุณาสมาปัฏิย า, ยานยมกัดปฏิหารลยญาและอาศยาโนสญยญาอาสาท่านในยาน๖พุทธญาณ๔เวทีการทำ๑๘ตลอดถึงพยานที่พระองค์ทรงใช้สร้อยวันละ๒ล้าน๔แสโกสมาบัตนั้นในที่สิบปริยานวิจารประทุพ ย, ยา น, 6, ยาน 4, 3, อาย่างมากมายไปณสถานที่ตรงนั้นงจึงรู้สึกว่ามหัศจรรย์ มีพลังค่อนข้างมากนั่นเป็นพี่ที่พระเจ้านะทรงใช้สอยพยานอย่างวันละ2อล้านสี่แสนขสมาบัติใช้พยานใ น, ใ น, ในาการประชุมแลนั่งระทบในบริเวณทรงกระทำ ท, ที่สุดแห่งทุกข์แล้วทรงเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสในกาลมาภูมิรู ป, ปรภูมิและในรูปภูมิพระเจ้ า, าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในโลกทั้งสาม ทรงกระทำที่สุดนหทุกเครื่องบูดทนผู้่การทำกรรมไว้ให้ออกจากชาติทุกชาทุกปยาทุกคนนะนะทุกเป็นต้นไดน้นคำว่าโยศัพ์นี้แปลว่าพระองค์ใดเป็นคำที่แสดงเนื้อความที่มีได้กําหนดแน่นอนว่าผู้ใดคือผู้เช่นใดนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าโลกัตถายะก็หมายความว่าเพื่อประโยชน์แก่ชาวโล ก, กันย์เพื่อความสําเร็จประโยชน์สูงสุดแก่สรรทั้งหลาย คำว่าพ да. ุทธเนี่ยหมายถึงพระพุเจ้าพุทธะเนี่ยพุทธะมีสามใช่ไหมหนึ่งสัมมาสัมพุทธะหมายถึงองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองปัจเจกพุทธะหมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าสามอนุพุทธะก็คือพระสาวกพุทธะทั้งสามประการเนี่ยก็อาจจะเรียกเป็นสาวกพุทธะก็ได้อันนพุทธะก็ได้หรือสาวกพุทธะอทไรก็ได้ลักษณะนี้เขาเรียกเป็นพุทธะหมดเลย แต่พุทธะที่พิเศษสูงสุดก็คือสัมมาสัมพุทธะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้มามหาบุรุษพูดแทนจรอภิปทาทั้งสิน้คนคําว่าทํานานก็คือทรับ พ, รพุทธเจ้านะทรงสละทรัพย์ทรงสลัด ร, รับเนี่ยนะที่บอกว่าพระองค์ทรงสลัดซับซั์ที่มีวิ ญ, ญญาณและทซั์ที่ไม่มีวิญ ญ, ญาณก็วิ ญ, ญญาณนกักซับก็คือมีช้างมี ม, าม้ามีท่าิีท่าชายเป็นต้น ตลอดถึงบุตแล้วก็ภรรยาก็ อ, องศลการที่จะสละได้เนี่ยจะต้องมีจิตใจที่ไม่ยึดติดจริงๆที่จะกล้าสละและเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะบําเพ็ญบา ร, รมีเป็นพระเจ้าด้วยต้องบําเพ็ญมหาปริจาท่เหล่านี้ไนดะ้ถ้าไม่สามารถสละสิ่งเหล่านี้ได้ความเป็นสมาสนท้าก็เกิดไมนะ่ได้อวิญญาณนะกระซับก็คือแก้วมณีแก้วมุกด า, า, าเป็นต้นเหล่านี้ สุดตาก็คือปุกให้ปุกให้ธิดาให้ภรรยาผู้ร่วมเกี่ยวข้องโดยกิเลสจนคําว่าอังคังก็คืออวัยวะสระมือสระเท้าสระหูสระจมูกสละตาอย่างยกตัวอย่างเช่นในพระชาติที่เป็นพระเจ้าเป็นเด่นที่ว่าควักดวงตาเนี่ยออกเป็นฐา น, นแล้วเชื่อไหมว่าเท้าคนที่สับเนี่ยได้ควักอเนกหรือภักษาออกให้เป็นฐานเนี่ย มากกว่าดาวบนท้องฟ้าเอออย่างเนี้ยถ้าลองเพียงไม่กี่ชาติทียกมาเป็นตัวอย่างเป็นเพียงเอาหนึ่งในวิโลกอีกระลันชาในการสลละมือสลละอวัยวะทั้งหลายเหล่านี้ยสละหูสลละจมูกเป็นต้นใช่ไหมในพระชาติที่เป็นขันติวารีดังหมดโดนตัดแขนโดนตัดขาโดนตัดหูโดนตัดจมูกเนี่ยกรณีแบบเนี้ยแล้วท่านก็บอกกับ พะเจ้าเบติบอกว่าบอกคี่ขันติเนี่ยบารมีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แขนขันติไม่ได้อยู่ที่ขาขันติไม่ได้อยู่ที่มือไม่ได้อยู่ที่ข้อมือไม่ได้อยู่ที่ไบหัวไม่ได้อยู่ที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเลยขันติเนี่ยเป็นนามธรรมภาษาพระเขเรียกโคสักคือความไม่โกรธคือการยอมรับได้ด้วยปัญญามันเป็นนามธรรมมันอยู่ในห้วงอาไทยอันลึกซึงของอัตมา รับได้เหมือนพื้นแผ่นดินแม้รับได้ตั้งรับก็ได้ขันติแปลว่าพื้นแผ่นดินเนี่ยคนเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างมาเทมาราดรถแผ่นดินแผ่นดินนั้นก็ไม่หวั่นไหวไม่สนท้องทานแม้ฉั้นใดคนที่บองเป็นบารมีขันติบารมีจะถึงสูงสุดแล้วจะมีความไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำทั้งได้ราดเสริราดเตยเสริมยอดเิมยอนาเสริเสริมไม่สุดเปนต้องหยุดไมเห็นไหมคนแบบตั้งรับก็ได้ และทนอีกอย่างหนึ่งทนแบบบุกฝ่าก็ได้พุทธัช้าบอกว่าตถาคตเป็นเหมือนช้างศึกช้างศึกในเวลาออกศึกเนี่ย<ม>ก็บุกฝ่าไปข้างหน้าแม้ลูกสอนมาจากทิศทั้งสี่เหนือใต้ตะวันออกตะวันตกก็ไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวในการใช้ใบหูใช้งวงแล้วก็ใช้หางเป็นต<อ>ันที่ปัดต้องไม่หวั่นไหวต่อลูกศรที่มาจากทิศทั้งสี่แม้ชั้นใดตถาคตก็เหมือนกับช้างศึกนั่นแหละ บกกว่าไปข้างหน้าแล้วเกล้ า, า, ากล้าอาถรรพ์ก้าวไปใจสู้ไม่กลัวต่อปัญหาเรืออุปสรรคใดๆกว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมพรุรยานต้องขนาดนั้นนะในการบำเพ็ญบา ร, รมีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการสลัดชีวิตด้วยและเรื่องเรชีวิตเสีเป็นต้นท้องสลาดให้แก่คนเหล่าอู่เพื่อเจตนาที่จะให้เวาลาจะสละเนี่ยตอนที่เป็นพยาช้างฉับทันใช่ไหมครับแล้วจะเห็นชัดก็คือว่าตอนที่ ทีแรกไม่รู้ว่านายพานโสน ด, ดอนอยู่ใต้ซองใช่ไหมต่อมาใช้สติสังฆเชียนยะทำหน้ที่โดนยิงเราต้องอย่าลืมว่าพระยาช้างฉัตรทานเนี่ยสูงสงิบแปดศอกนะครับเหมือนเหมือนกับภูเขาไบลาสแล้วก็เป็นช้างที่มีความสง่า ง, งามมากท่านยืนอยู่ในพานโสน ด, ดอดรไปขุดหลุมนะครับขุดหลุมตรงที่ท่านยืนเนี่ยแล้วลงไปอยู่ใต้หลุมใช่ไหมใช้แผ่นกระดาน แล้วก็เจาะรูไว้แล้วก็ใช้ยาคุมคลุมไว้หน่อยพอหลังจากพรยาช้างจะท่านไปยืนค่อมตรงนั้นแนละ้วท่านก็แหวก้าออกแล้วก็ใช้ลูก น, นุ่นนายพานโสนุ่รมีกําลังท้าประช้างห้าเชือกคนยุคนั้นตัวใหญ่มากการลูกศอนที่ใช้ยิงเนี่ยเท่ากับต้นเสาครับต้นเสานะครับคนที่มีแรงมีกําลังแล้วก็คนในยุคตัวใหญ่อะเข้าใจไ เวลายิงเนี่ยยิงเ่ยลูกศรยิงจากไอ้ท้องาาเนี่ยพญาช้างจะทันเสียงยังกงงงไไ็ลานองต้มอะไรเนี่ยทะลุหลังนะตัดขัว้วตัดปอดตัดไตตั ด, ต, ดตับเนี่ยตอนนั้นท่านลืมสติอ่ะท่านร้องท่านแผดร้องออกมาเนี่ยบรรดาสิงสาร า, าสัตว์พากันกลัว แล้วก็บรรดาช้างที่เป็นบริวารเนี่ยสี่แสนเชือกก็ประมาณเป็นแสนแเชือกน่งตกใจพได้สติได้รับภาระุกีหาศัตรูอ่ะเหยียบป่าราบหมดเลยครับคิดว่าศัตรูเนี่ยต้องอยู่ในบริเวณเนี่ยอน า, าบริเวณร้อยลายสองร้อยลเหยียบราบหมดเลยครับด้วยกำลังช้างเหล่านั้น เ, นเพื่อจะหาศัตรูที่ทําลายพระโพธิสัตค์คือพญาช้างพอช้างไปหมดแล้วก็เหลือแต่ นางช้างที่ชื่อสุภัทธาเทวีก็ขอเพียรอครยรอยให้กำลังใจว่าบริษัทอยู่ใช่ไครับเพราะบริษัทก็มีสติสัมปชัญญะกลับขึ้นมาปุ๊บก็กําหนดว่าศัตรูจะอยู่ทิศเหนือที่ใต้ ต, ตะวันออกหรือตะวันตกไม่ใช่แน่นอนเพราะโดนยิงจากข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ใช่จากจา ก, จากด้านหน้าหรือดา้านห้าท่านก็เลยตำหนิ ภรยาว่าน้องน้องหญิงนี่รรดาช้างที่เป็นบริวารก็พาให้วิ่งหากระตรูและนี่เธอมาทำอะไรอยู่เหยดที่พูดคำ น, น, นี้เพื่ออะไรมีภาพมหากรุณาที่คุณต่อภรรยาถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นจะได้ไม่เป็นอะไรนี่คือใจนะตนเองจะตายแล้วแต่ห่วงคนอื่นซึ่งใจแบบเนี้ย มนุษย์เห็นแก่ตัวทั่วไปทำไม่ได้เมื่เราก็ทำยากใช่ไครับความรู้สึกแบบนี้ความที่มีกรุณาคุณต่อคนอื่นเนี่ยยากมากพอหลังจากภรรยาพระนางสุภัททาเทวีไปแล้วเวียนประทักศิลป์วายแล้วก็ไปแล้วเนี่ยท่านก็ใช้ขากระ้แผนกระดาษแล้วใช้วงทุบเข้าไปก็จับ ในทางโถวิรยกขึ้นมาวางไว้ต่อหน้าที่แรกทาท่าจะทบเนะอเห็นอะไรเห็นพระกาสาวะพระท่านก็นว่าคงชัยหลวพระอนท่านบำรุงพรประแดงทุกญาณช่างเลยแค่นี้ท่านก็นตาของปีติลเลือดถึง ค, คุณของพระจ้าทำได้เลือดรคุณของพรนาตาเจ้าท่านตา ท่านก็ะทสหายเลยท่านทำรุกรายท่านยิงเราทำไมใให้มานทยานโซนุยอนก็ระอกแล้วบอว่าท่านนางคือพักทาเมีพ่อเหมพระเจ้าพานสองใช้พระพเจ้ามาก็ต้องการนามอท่านเพราะเกิดแค่เขากัรไ้นางคืน ท่านก็ใช้ปัญญาระลึกคนหลังปุ๊บย่อยความรวดเร็วเพราะสติปัญญาท่านดีอยู่แล้วเป็นพระโพธิสัตว์นะระลึกชาติได้อย่างนี้นะครับคนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเมื่อได้ญญรับอวัยวะแล้วเนี่ยทุกอัตภาพระลึกชาติได้หมดแม้จะเป็นสัตว์เดราาัจฉานนี่ต้องเข้าใจความจริงตรงนี้ก่อนเวาลาเราอ่านในด้านของชาดกแล้วเดี๋ยวจะไม่จะไม่งงนะครับนี่เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์นะ ท่านจะระลึกชาติได้ซึ่งผิดกับคนธรรมดาหรืออย่างเราเนี่ยเราเนี่ยกลังของโมหะเน้นปิดการจัดครับระลึกและติดหมดครับอย่าว่าแต่ระลึกชาติเลยเลือกอัดภ้าวนียังไม่ เ, เท่าเลยเาไปเช้ากินข้าวี่คำล่วงครับเื่อนไม่ออกเนีไไ่ ย, ยนขขยไัไม่ได้เลยทีกินกี่คำตื่นขึ้นมาเดินขาทาซ้ายทาขวาก่อนยงือไม่ออกสีติปัญญาเราเลิออ่นมากเพราะเราไม่ได้ฝึกไว้ แต่กำลังเ้าโอดิษากิ่งสติมันมีชัญญากักษนจะดีมากจะแปลกใจว่าทำไมท่านได้ฐานน้ำนี้เพราะท่านบราเป็นมาถ้าเราปราถนาทกให้เราทำเราก็จะเป็นเหมือนท่านนี้ต้องใจตรงนี้ถ้ากราเรยนกทุกถ้าเร า, ารู้ทันทีจะพาไปโกหกอดีภรรยาเขโกหกแค่นี้จิงเกิอดอาฆ่าพยาบามต้องการฆ่าท่านรู้ทันทีเลยนะวะ่าเนี่ยมีใจลิศ ย, ยาอยากจะฆ่าท่านในตายถ้าปราถนางานงาน ตาตาเขาปู่เขาปู่เขาปู่เยอะแยะที่เสียบไว้ในานก็รู้ถ้าขาดถนางางาสวยๆนางงามเยอะแค่ยืนอ่ปากถนาชีวิตถ้าเรารู้ความจริงว่าไอเจ้านี้มันโกหกมันตลบตะแรงเราจะเกลียดมันไหมถ้าเป็นเราแต่ท่านสามารถมีสติและปัญญาคมกิเลสประเภทนี้ได้ไม่ให้ความโกรธความเกลียดมันทุกพ์พานในใจได้นี่นี่คือกําลัง กำลังของสติสมชัญญะขาคนทวเโครับตรงนี้เราก็ฝึกถ้าเราฝึกก็ทำได้นะครับถ้าเราฝึกแล้วเนะี่ยจะพยายามโกรธยังไงก็ไม่โกรธพยายามเกลียดยังไงก็จะไม่เกลียดนะถ้าสติสมัชัะเราแข็งแรงท่านก็บอกสหารเลยท่านรู้ว่าความกินไม่เป็นแค่ที่นนปีน้ำยกระทางยงอยู่ก็ต้งองการชี้อย่างนั้นเลยท่านจงรีบเดี๋ยวเราจะลบเสก่อน นะท่านจงรูนที่อยู่ในการผลิวาที่มาตัดงานของเราก็คเราให้เราจะเอาอะแต่เนี่ยนายพามโสรดอนต้องลุกขึ้นอย่างทนกัดค่ะไม่สนใจให้พวกเอานะยคนประเภทที่คนใจอยากเป็นแบบนี้ถึงจะให้แผ่นดินทั้งแผ่นดินมันก็ไมเห็นคุณนะลักษณะของนในนายพานโสรดอนี่คนจิตใจหยากอีก น, นะที่านหยากหยากเฉพาะเห็นว่าได้เห็นว่บริษัทนั้นะท่านอาดกันมาท่านก็ ลงไปเลยเดี๋ยวนี้ยรียบเอาเลื่อยสะปายแล้วก็จะขึ้นท่านก็ย่อตัวให้ตรงนี้ก็ไตวงูงขึ้นไปปุบ๊บปุบ๊ บ, บ, บขึ้นไปได้วยกําลังแรงของตัวเองอ่ะขึ้นไปก็เอาเข่ากระทุง้งกระทุงที่ปากที่ย้อยอ่ะนะกระทงกระทุงะท้งอัดก็ไปเหยียบบนตะโพงช้างแล้วก็ให้พระโพธิสัตว์ชี้อ้าปากเอาเลื่อยเข้าไปกับอย่างสามารถทำแรงเลยนะตะัดนี่ติดเลยติดก ก, กเนี่ยติดตรงเนี้ยติดปากเลยฮนะตัด ดึงดึงกระชากกระชากเลื่อยเลือดออกแล้วเลือดเลือพุ่งพุ่งไปหมดเลยตอนให้พญาช้างจะทันแก้จะ ต, ตายแล้วเลื่อยไปเลื่อยมาเลื่อยไปเล่ยมางาใหญ่มากขนาดขาใหญ่หมดแรงหมดแรงตัดไม่ไหวท่านก็พุ่นเลือดออกมาพอบริษัทก็พุน่นพุน่นพนนเลือดออกมาท่านก็ถาม่ว่าสหายเออท่านหมดแรงปกหมดเล ng, อือนาย แรงหมดใช่ไหมนั้นท่านลงมาลงไปแล้วช่วยเอาเรื่อยๆทางงาไว้ด้วยแล้วลงไปทั้งล่างแล้วไปแบกงวงของเราขึ้นมาจับเรื่อยหน่อนเพราะเรายกงวงไม่ไหวแล้วไอ้เจ้านี้ก็รลืลงไปก็แบกงวงขึ้นมาให้มันจับมันก็กระชากดีเต็มเหนียวเลยนะเปิดเปิดสามครั้งหลุดเลยงาหลุดออกมาปากพังหมดแล้ว ท่านก็ใช้งวงพายมตึงจับรับง<ม>าทั้งคู่นั่นมาท่านก็บอกว่าไม่ใช่เราไม่รับงาพวนี้ของเราตึงงาเนี่ที่เราจะให้งานี่คือสัพพายุติานทออกอย่าท่านนึกถึงนู้นเลยนึกถึงเนี่ยเทวดาอารักษ์ทั้งหลายรตราสษทั้งหลายจงภาวนานคือสมทัยนี้ทั้งเลย ว่าท่านจะให้ทานนดิดนิงนะและท่านให้งานทานเนี้ยให้อัตภาพให้ชีวิตอันเดียวมันไม่แค่ท่านหวังท่านไม่ได้หวังว่าสมบัตินะไม่ได้หวังสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติธรรมดานะไม่ได้หวังสักการสมบัติเทวาสมบัติสักการสมบัติพรหมสมบัติไม่ได้หวังสาวกวาลมีญานปัจเจบรฏิยาณแต่สิ่งที่ท่านหวังคือสัมมาสัมโพฏิยานท่านค้อใครเไห แล้วเมื่อให้งาไป เ, ปเสร็จเส็จแล้วท่านยังให้พรใช่ไหมให้พรแก่ในพนนันหลอนนียตอนว่าท่านมาเนี่ยใช้เวลาอีกวันเจ็ดปีกว่าเจ็ดเดือนแต่ด้วยอายุข่าของงานนี้ท่านจะไปด้วยความปลอดภัยนะภายในเจ็ดวันท่างแตถึงเมืองทาศรีนครท่านก็บอกว่าด้วยด้วยด้วยเกียจจำลองด้วยผู้สมเกิดบุญธรรมีที่ ที่ท่านเอยังไม่ได้เคยโปรดด้วยเครือยาท่าเรบาตรด้วยสัญญาความจริงเพราะอให้ท่านจงพ้นจากสุขสรรคและอันตรายทั้งหลายที่อยู่ในป่าจงพ้นจากอันตรายทักงปวงนี่ให้พรในอานุสงค์รับงาโดยเสร็จก็รีบแบกแล้ววิ้งออกับเขาไปตะพักนึงแล้วท่านก็ล้มเค่องยานท่าจะทันก็ล้มแล้วก็บันไดช้างปางล้อค่ายําลั ร้อ้ากันงก็เป็นญี่ปุนน่เเนเขาตะูกีกยบพระเจ้าห้ายแล้วก็ช้างาหนึ่งสองเชือกเข้ามา้อนพระยาช้างลุกพะลุกแล้ ว, วก็พยุงช้างพระยาช้างเข้มาทาเหมือนเขาล็กเขาตะเกียบเจ้าได้กลับมาเขาเผาที่เชือกเนี่ยเราถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าคาว่าสภาพการกวาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเข้าลงน คิดดีว่าการอันนี้เป็นเป็ุทคุณในึในรึถึกและเราจะได้สัมผนสอะไรแล้วในช่วจเช้ามันมีคนเรียนอะไร